ขอมโมทนากับเราเนะี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จะอธิบายในเรื่องของบารมีสักไม่มากก็คือจะให้ความหมายให้เราได้ทําความเข้าใจใกล้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็สุดท้ายแล้วอยากให้เราได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากคําว่าบารมีเนี่ย เป็นการกระทำที่หยวดยิงหรือยิ่งหยวดเป็นการกระทำที่ยิ่งยวดทีนี้ถามว่าการกระทำที่ยิ่งยวดเนี่ยที่เรียกว่าบารมีเนี่ยเป็นคุณธรรมทั้งหลายเห็นไหมตัวบารมีทั้งหลายเนี่ยท่านขับเน้นตัวคุณธรรมคุณธรรมทั้งหลายก็คือมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะ บารมีปัญญาวิรยิยะคันติส จ, จัติฐานาเมตตาและเวขาเห็นไหมเป็นการกระทําที่ยิ่งยวดทีนี้การกระทําที่ยิ่งยวดที่เรียกบารมีมันจะคําว่าบรมบรมปรมาเนี่ยเป็นชื่อว่าบําเพญก็ได้การกระทําที่ยิ่งยวดเพื่อจะให้ถึงฝั่งเก่าคือบรมธรรมอะไรคือบรมธรรม รู้ไหมว่าอะไรคือบรมธรรมรู้ไหมประมะฝั่งบรมธรรมคืออะไรคือพระนิพพานฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีก็คือการต้องการที่จะกระทำเป็นการกระทำของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นการบำเพ็ญหรือเป็นผู้รักษาคุณทั้งหลายมีทานเป็นต้น ฉะนั้นการกระทําหรือการบำเพ็ญบารมีก็กลายเป็นภาวะที่ดีก็ได้หรือกรรมการเจริญบารมีใช่การกระทํากรรมไหมการเป็นบารมีเขาใช่อะไรทําใช้กายกรรมมั่ยใช่กายกรรมไหมเป็นวจีกรรมไหมเป็นมโนกรรมไหมขับเน้นที่ตัวไหนกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรม ที่จริงเป็นกรรมสามแต่ขับเน้นที่มโนกรรมฉะนั้นความเข้าใจในการบําเพ็ญบา ร, รมีจะต้องเข้าใจถูกหรือผิดต้องเข้าใจที่ถูกต้องนะทีนี้การกระทําที่เรียกว่าบา ร, รมีเนี่ยเป็นการกระทําหรือการบําเพ็ญที่ยิ่งยวดฉะนั้นการกระทําทั้งหลายที่เป็นไปกระเจจจำ侬เนี่ยสาคัญมากนะการบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยต้องขับเน้นที่ตัวเจตนาค่อนข้างที่ชัด พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านบําเพ็ญบารมีเนี่ยท่านบอกว่าในการนั้นเราเนี่ยเลือกเฟ้นได้เห็นทานบารมีเป็นอันดับแรกนี่เป็นทางใหญ่ที่ท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่ก่อนประพฤติมาเออท่านก็มาพิจารณ์ท่านกมา็านกมาดูถึงทานศีลเนคขมารปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวิกขาทีนี้ในการที่ บำเพ็ญบารมีเนี่ยที่บอกว่าเออบารมีเนี่ยจริงๆมันอยู่ในตนนะใช่ไหมบารมีมันไม่ได้อยู่นอกตนเนี่ใช่ไหมใช่แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยแค่ว่าเราจะบำเพ็ญทานบารมีให้เกิดขึ้นเนี่ยในบรรดาบารมีทั้งหมดเนี่ยบารมีที่ทานบารมีเป็นต้นจนถึงเบขาบารมีเป็นที่สุดเนี่ยบารมีข้อไหนบำเพ็ญได้ง่ายที่สุดอข้อไหนง่าย ใครว่าทานง่ายได้ง่ายได้ไงเหตุผลที่ง่ายเพราะเพราะอะไรทำไมจึงบอกว่าทานบา ร, รมีเป็นเป็นการกระทาที่ทำได้ง่ายเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมจึงเรียกว่าทานบา ร, รมีเป็นธรรมที่บาเพ็ญได้ง่ายเพราะ ไม่เข้าใจเองไม่เข้าใจเองคำว่าทานเนี่ยมันมาจากคาว่ากุศลลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่กุศลเจตนาจะจัดว่าเป็นทานไหมทานนี้ต้องเป็นกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้ ทีนี้ตัววัตถุทานหรืออมิสทานเนี่ยสิ่งของที่ควรให้เนี่ยใครเคยให้ข้าวไหมให้น้ำเคยยังให้ผ้าให้ยานผ่านนะเคยยังเคยยังให้ยานผ่านนะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องรูปไล ไม่รู้จักเครื่องรูปไล้ออีกอะไรอะไรเครื่องรูบไล้รู้จักไหมฮะรู้จักรูปไล้ไหมเอาไวว่ารูปรู ป, รปอะไรเคยให้ไหมพวกสบู่เคยไหมของหอมกันเครื่องรูบไล้ให้ที่นอนเคยให้ไหมให้ที่อาศัยให้ที่อาศัยให้ปฏิบเคยไหมปฏิบเพื่ออะไร สรุปแ ล, แล้วเราให้หมดแล้วใช่ไหมข้าวก็เคยน้ำน้ำก็เคยบัต ท, ทีบให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานภาณะยานภะาณะให้ยังไงฮ ะ, ฮะให้ยานภาณนะ คำว่าให้ยานพาณนะเนี่ยอะไรชื่อว่ายานนะให้ยานนาทานอายานนาทานคืออะไรอา้าวยอมอะไรคือยานญาณทา น, น, าานที่จะว่าเป็นญา น, นาทานที่ยอมให้มาเคยให้รองเท้าไหมเคยให้ล่มไหมเออเนี่เรียกยานนาทานการให้ยาณ น, นาทานเนี่ยจะทำให้เราได้ยานอย่างดี ถามว่าถ้ามีรองเท้าแล้วสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไหมถ้ามีร่มแล้วเนี่ยแดดเอ้ยฝนเอ้ยป้องกันทํำไม่สามารถนําพากระแสชีวิตไปถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกไหมฉะนั้นร่มและรองเท้าจึงจัดว่าเป็นยานาทานถามว่าการได้ให้ยานาทานเนี่ยมันจะได้มีผลยังไง ร, รู้ไหมถ้าไปเกิดในยุคใดสมัยใดที่มียานผ่านนะใช้สอย ไอ้อ น, นิสงของยาณท า, านนั้นจะเป็นผู้ทำให้ได้ยานอย่างดาียานอย่างดีก็คือได้เครื่องบินส่วนตัวไงอาวพูดับนี่พูดเกินจริงหรือไม่จริงไม่ได้เกินจริงนะแสดงว่าไม่ค่อยได้ให้มาในชาติที่แล้วเนี่ยเนี่อกตนหนีทั้งนั้นดูดหน้าตาเนี่ยใช่ล่ะเนี่ยญานท า, านเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวยงก็บอกเอ๊แล้วฉันให้กลับไปรีบไปให้รองเท้าให้ใหเต็มให้ ใครเคยให้รองเท้าถึงพันคู่ยังถึงยังร้อถึงยังไม่ถึงอีกเอาห้สบคู่ไม่ถึงอีกยีสบคู่10บคู่หคู่ไม่เคยให้สักคู่ไม่เคยเลยใช่ไหมเคยไหมรองเท้าเวลาเราซื้อถวายพระเนี่ย เราถวายเป็นการราทานหรือไม่เป็นดูตรงไหนอะดูตรงไหนดูว่ารองเท้านั่นน่ะพระเขาใส่ได้หรือไม่ได้แม่ฉันไม่ค่อยชอบใจคนให้ทานเดี๋ยวนี้เลยนะ่ยเขาไม่ค่อยชอบใจไม่ใช่ไปโกรธเนี่ยคือเขาไม่ค่อยดูเท้าพระกันเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้คือไปหาซื้อแถวไ อ, อ้สังฆทานกนะ่เาเสียบมายัางไงก็ซื้อไปอย่างนั้นเลย ถ้าใส่ได้ไม่ได้ผิดวินัยหรือเปล่าไม่รู้เรื่องกันเลยว่างั้นเถอะไม่รู้เลยสีบางทีไม่เหมาะแก่พระก็ไปซื้อมาอย่างเช่นสีดําเนี่ยนะโอ้โหนเหมาะกกบพระที่ไหนเราไ่้ไหมเราหรือสีแดงเนี่ยโอ้เสียมันอีกาข้าพิกเลยพระก็เดินไปแต่เนี่ยออแปลกจริงถามยอมเวลายอมไปซื้อรองเท้าแบบนี้ใส่ยอมใส่ไหมยอมกล้าใส่ไหม แล้วอาหารก็เหมือนกันนะบางทียอมโอ้ยยมเฮ้ ย, ยทำไมจริงๆถ้าเราไปดูก็ดูของที่พ้าใช้ได้ไอ้ที่น่าประหลาดใจที่สุดเวลายอมไปซื้อสบงถวายผ้านี่โอยอมไม่เคยไปเปิดดูเลยจะไม่ในเครื่องสังฆทานเนี่ยใช่ไหเพอเปิดมาดูเนี่ยยอมคิดว่ามนษวดยกนี้จะนุ่งได้ไหมบางทีสั้นแค่นี้ฉันก็ไปวัดตัวโอ้ยมันยังไงเนี่ย โอยเป็นอย่างนั้นจริงๆี ง, งอยอมไปทำเองบ้างสินะไปทำเองไปดูะสะบองเนี่ยพรานนุ่งแล้วมันจะโป้ไหม <c oughs> <c oughs> บางทีเนี่ยโอโห้หถ้าใส่เดินออกวันแล้วก็โหบยุ่งเลยนะครับ เออจริงๆมันมีหลักในพระวินัยไว้เยอะนีว่ากีวรตัดถูกต้องไหมสบงตัดถูกต้องไหมอะไรเป็นต้นมีรายละเอียดตรงนั้นด้วยงั้นการให้ยาณาทานเนี่ยจะทําให้เราได้ยาญอย่างดีถ้าเกิดในยุคใดสมัยใดเนี่ยผลของยาณาทานเนี่ยมันให้ผลเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นยุคที่เขามียาณาทานที่ดีที่สุดกลุ่มพวกเนี้ยเมื่อให้ยานาทานอย่างดีเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ได้ยาญอย่างดีแต่ถ้าไปเกิดในยุคใดสมัยใด ที่ไม่มีระบบเทคโนโลยีไม่เจริญระบบย่อมยกตัวอย่างเช่นสมัยพระพุทธเจ้าหรือหลังๆที่พุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะได้ยานในตนหนึ่งจะได้อิทธิวิทยานคือแสดงฤทธิ์ได้สองจะได้ทิพพจักขู่ยานคือตาทิพเห็นไหมมีคำว่ายานนะ ต, ต่อท้ายด้วยหไหมจะได้ทิพโส ต, ตายานคือหูทิพ จะมีเจโตปริยญาณคือรู้ว่าระจิตคนอื่นจะมีปุเพนิวาสานุสติญาณคือ ล, ลึกชาติท้หลังได้จะได้จุดูปปตาตญาณคือรู้จุดติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและจะเป็นปัจจัยต่อการให้ได้ซึ่งมาซึ่งอาสวัคยาญาณคือญาณที่ทําให้อาสวะกิเลสให้สิน้นดีไหมญาณทา น, านดีไมด่ดีแต่ไม่ใช่ญาณทานอย่างเดียวนะนี่หมายความว่านี่คือเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนมีเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นการให้เนี่ยนะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานผ้านะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยปฏิบันิจะอันนังปานางครังวัดทาดยใเวลาเขาสวดเนี่ ย, น, ยน้ำอะไร การให้ในพุทธศาสนาท่านแยกออกเป็น3อย่าง 1. อามิตรทานคือเป็นวัตถุทานสิ่งของที่ควรเป็นอามิตรสองธรรมทานคือการให้พระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นประโยชน์ 3. อภัยทานการให้อภัยให้ความปลอดภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราเคยให้มาครบไปยังวัต ถ, ถุทานให้มาครบแล้วใช่ไหมสิบอย่างใช่หให้ครบเลยใช่ไหม อา้าวพอให้สิบอย่างสมมุติว่าให้ข้าวให้แล้วให้น้ำก็ให้แล้วให้ผ้าให้ยานผานะดอกไม้ของหของเครื่องรูบ้ายที่นอนที่อยู่อาศัยก็ให้แล้วใช่ไหมปฏิบสิบอย่างครบอาหารให้ยังเครื่องนุ่งห่มยาที่อยู่โอ้โหนี่ในายาของพระวินยัย พระวินัยนี่สี่อย่างพระสูตรนี่สิบอย่างเอาลองดูในยะพระวิธรรมที่ให้สีเป็นทานเคยให้ยังให้สีให้เสียงเป็นทานให้รด้ยังทำท่าไปไม่เป็นแล้วว่าพูดเสียงให้เสียงเป็นทานใครเคยให้ยังให้ยังถ้าทำยังไงให้เสียงเป็นทาน ท่านเจ้าค้าดิฉันขอถวายอาหารเจ้าค้าเวลาให้อาหารให้เสียงด้วยปะให้ให้ด้วยความตั้งใจไหมท่านท่านไม่เห็นไงยอมเยืนอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เวลาผาท่านเดินมาหัดมองบ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าให้เสียงเป็นทานไหมเคยบอกทางคนอื่นบ้างไหมบอกทางบอกแบบตั้งใจบอกหรือบอกด้วยความโกรธ เวลามีคนมาถามทางดีใจเลยไหมดีใจไหมพอมาถามเาคนถามทางปุ๊บตาเขียวใส่ทุกทีเลยเงี้ยจริงจริ ง, รงต้องดีใจนะดีใจก็บอกเขาทางไปทางไหนทางไหนเป็นบุญหรือไม่เป็นบอกผิดหรือถูกจะบอกทางผิดเป็นบาปไหมเออออกมาเป็นคนที่ต้องต้องสา ร, รภาพอยู่เรื่องหนึ่งนะใครอยาถามทางอารมานะ หมายถึงทางโดย ท, ทั่วไปเนี่ยมาบอกที่ไรมักจะผิดทุกทีแต่เดี๋ยวยอมันนี้ว่าเอ๊ะทังนั้นบอกทางเดินไปพันิพานไม่บอกผิดที <c oughs> <c oughs> อันนี้มั่นใจไม่ผิดแต่คือทางโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ไปทำกรรมอะไรมาไม่รู้มักแต่เนื้อยอมลองใครขับรถเป็นลองช่วยให้มานั่งแล้วพามไป พาหมุดวิ่งไปหน่อยถ้าเท่าที่เอามารู้จักมาเนะี่ยหลงแทบทุกคนเลยที่อามานั่งรถคันไหนเนี่ยเขาจะพาวนพาหลงอยู่เรื่อยเลยโดยเฉพาะว่างละถ้า น, นั่งไปแล้วเขาจะถามให้มาอธิบายเลยมาก็อธิบายพออธิบายพวกนั้นเขาก็มึนใหญ่ว่าอธิบายเขาก็ไมยได้ดูทางเอาหลงกันไปแล้วมีอยู่ครั้างหนึ่งนะ ในช่วงพันส า, ามาก็จะต้องรีบเพราะว่ามันสัตรหานี่นได้ไม่เกินเจดวันน่ะนะตอนนั้นไปกลั บ, ลบจากระยองอามาก็เลยเลยนั่งแล้วก็หลับตามาหลับตากำหนดมาเลยก็นึกในใจจากระยองถึงสุพรรณบุรีก็ประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็คงถึงพอกำหนดสักสามชั่วโมงามาก็เลยลืมตาขึ้นมาเอ๊ะแปลกมันทำไมมีทหารถือปืนเต็มไปหมด มันที่ไหนกันเนี่ยโน้นมันวิ่งไปโน้นน่ะชายแดนโน้นนายองมันวิ่งไปทางชายแดนไอ้ทางไรนะอรั ญ, ญประเทศไปทางโน้นเนี่ยอามาก็ไปถามคนขับแล้วมันที่ไหนเนี่ยไปไมาคนขับมันหลงโอ้โหตอนนั้นคิดดูเกือบจะเที่ยงคืนแล้วแมตอนนั้นเริ่มเครียดกินเลยเดีวนี้แปลกนั่งรถคอยะหลง คงไม่เป็นที่อาตมาแน่แพอมาไม่ได้เป็นคนข่าวอมิสทานธรรมทานธรรมทานนี้คือการให้คำสอนที่ถูกต้องให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แม้แต่พ่อแม่ก็สามารถให้ธรรมทานแก่ลูกได้นะสอนให้ลูกเป็นคนดีมีความรับผิดชอบนี่กลุ่มธรรมทานทั้งนั้นนะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลาย้ น, นในหลักของการ สิ่งที่ควรจะบอกเขามีสามจุดหมายใช่ไหมจุดหมายในปัจจุบันเขาเรียก ว, ว่าทิฏฐารำมิกระประโยชน์ถ้าจุดหมายที่เป็นสัมปรายิกระทประโยชน์แล้วก็จุดหมายที่เป็นปรมัทพประโยชน์นั่จะบอกได้สามเรื่องนี่แหละถ้าประโยชน์ในปัจจุบันก็เรื่องของการเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการดูแลเรื่องการหาท ร, รัพย์เรื่องการเก็บท ร, รัพย์เรื่องการครบมิตรทั้งหลายเหล่า น, นี้เป็นต้นถ้าจุดหมายที่เป็นสัมปรายิกถาก็คือเป็นเรื่องศรัทธา มีความเชื่อมั่นในเรื่องของสีในเรื่องของสุตตะ ใ, ในเรื่องของจาระาในเรื่องของปัญญาเป็นต้นสูงสุดก็เรื่องการฝึกฝนเพื่อให้บรรลุธรรมประการต่อมาคืออภัยทานเรามีกันเยอะไหมอภัยทานมีไหมเอาคำว่าอภัยทานแปลว่าอะไรใครแปลว่าอภัยทานเคยเขียนเคยเห็นที่เขาเขียนว่าเขียนอภัยทานไหมใช่ไม แล้วพยานแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรให้อะไรอ่ะอภัยทานแปลว่าให้อะไรเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยสามารถให้ให้อภัยทานได้ไหมให้ยังไงก็ให้ความปลอดภัยก็หันหน้าไปบอกเพื่อนดีบอกทุกคนได้เลยว่า ท่านนั่งตรงนี้ต่อหน้าเราท่านปลอดภัยแนย่นี่คือให้อะเห็นไก็คือตลอดระยะเวลาก็คือให้ความไม่หวาดระแวงนั่นเองให้ความให้คำว่าพยาธา น, นีย่ยกตัวอย่างเช่นหนประตูเขาเปิดก็ไปปิดประตูป้องกันภัยให้เขาก็เป็นอภัยาทานนะใช่ไมไ้ยล่ะไฟที่ตรงไหนมันมืดเราก็ไปติดไฟให้เขาป้องกันอันตรายให้เขาเป็นอภัยาทานเท่านั้นแหละ ให้ความปลอดภัยอีกเยอะเนี่ยตลอดก็คือให้ความปลอดภัยนั่นเองทีนี้อีกอาสามอย่างมันจะมีคาว่าสามีทานสหายทานแล้วก็ทาสถานเข้าใจคาว่าสามีทานไหมอย่าไปแปลว่าให้สามีเป็นทานนะแปลว่าอะไรสามีทานเนี่ยให้ของที่ดีกว่าประณีตกว่าสวยงามกว่าที่ตนเองใช้ อ้าวใครเคยให้ทานประเภทนี้ไหมเวลาจะให้ทานเนี่ยแก่พระสงฆ์เนี่ยเราของที่เรากินยังไงเราก็ให้อย่างนั้นหรือของที่ดีกว่ า, ด, วาดีกว่าไหมประณีตกว่าไหมสวยกว่างามกว่าอร่อยกว่าถ้าเป็นนะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนไหมหรือว่าเปิดตู้เย็นปุ๊บก็บไปดู นี่หมดอายุแล้วดีแล้วให้นิพพานี่แหละนี่แหละพอดีแล้วพอดีแล้วของหมดอายุทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นให้พวกนี้เละเป็นอย่างนี้ไหมให้แบบนี้ไหมเคยเคยเอาของหมดอายุถวายพระไหมจริงจริงไม่เคยเลยเลยเคยไหมไม่เคยเลยใช่ไหม เคยไปซื้อสังฆทานตามร้านถวายพระไหมเคยไหมพอไปถึงแป๊บก็หยิบสังฆทานมาเลยแล้วก็ไม่รู้เลยในนั้นมันมีอะไรบ้างเชื่อไหมใครเอาสังใครไปซื้อสังฆทานตามร้านที่เขาขายเนี่ยไปถวายพระเนี่ยพระแต่ละองค์รับสังฆทานแล้วแต่ตวางใจไม่เป็นเครียดกินทุกองค์เออมันหลอกยอะมันหลอกมันจะเอาไอ กระดาษอัดเข้าไปนะอัดเข้าไปในถังเนะี่ยครึ่งถังเลยเนะีให้สังเกตถ้ายมยกไปดีมันจะฟ่ําไอ้หน้ามันจะลงกันเนี่ยนะมันจะยัดเข้าไว้เออมาไปเจออีกลายหนึ่งหนักไว้กันนะนี่ก็คือมันใช้น้ํำนะมารยาทหลังเขาใช้น้ําขวดคุณๆเนี่ยสามขวดอัดเข้าไว้ใต้ใ ต, ใ ต, ใ ต, ใต้ถังแล้วก็ปิดข้างบนพอพาไปแกะดูเอ๊มเป็นอะไรนิยมมาถวายว่าแกะเจอชิ้นนี่โอ้โห ไม่มีอะไรเลยเนยไม่มีอะไรเลยผ้าก็เป็นผ้าเศษบางๆนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สามีทานคำว่าสามีก็แปลว่าเจ้าของนะสามีแปลว่าเราเนี่ยการให้วัตถุสิ่งของที่มีความสวยงามประณีตมากกว่าดีกว่าที่ตนเองบริโภคและใช้สอยแเวลาเราจะถวายข้าเอาข้าวเนี่ย ข้าวถวายกับพระเนี่ยเราเราหุงข้าวเองไหมคัดไหมกระทั้งเม็ดข้าวสารไหมโอ้ขนาดนั้นเลยโอ้หน้าชื่นใจจังคัดเม็ดข้าวสารเลยใช่ไหมเอาเม็ดที่ดีที่สุดอ๋ออย่างนี้ดีเลยหรือหรือไม่สนใจอะไรยังไงก็อย่างนั้นเลยละเอียดถึงกระทั่งคัดเม็ดข้าวสารเลยนะละเอียดขนาดนั้นไหม ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยหรือนั่นแหละตลาดเดี๋ยวมีไปตามตลาดถ้าไปบินต บ, บาดเนี่ก็จะมีโอ้โหเขาจะมีทําเป็นชุดชุดชุดชุ ด, ช, ดชุดไว้ใช่ไหมแล้วเขาจะขายเป็นชุดเราก็ไปกันแล้วชาวบ้านก็ไปกันแล้วก็ไปแบบประเภทที่รีบๆกันน ะ, นะอาหารรีบๆกันอย่งนั้นพาป่วยกันไปแถวไปแนวตอนนี้ยน่าสงสารไปดูตามโรงพยาบาลจุฬาบังโรงพยาบาลสงไปดูที กินอาหารไร้คุณภาพกันแทบทั้งนั้นนะพระแล้วอยากอายุสั้นก็นมาบวชคุณภาพแย่ลงแย่ลงเออจะมาเป็นกงันยิงยอมก็บางคนยอมบางคนเขาถือของหนักๆเขียนพ้าก็ดิได้ที่พึ่งพิงแล้วได้ที่พึ่งพิง พระเห็นนี่เริ่มสส่หัวแล้วมาหาเดินตรงมาหาเราจะเดินหนีหลบก็ไม่ได้มาแล้วโอ้หนักมากเลยแต่บางทีบางคนก็ต้องตั้งใจให้ทานจริงเลยสหายทานนี่ก็คือการให้วัตถุสิ่งของเหมือนกับที่ตนเองบริโภคมีไหมกลุ่มนี้มีไหมตนเองกินยังไงใช้สอยอยังไงก็ให้อย่างนั้นเราเป็นกลุ่มนี้ไหม ส่วนกลุ่มทาสถานก็คือให้ให้วัตถุสิ่งของเนี่ยที่ตนเองตนเองไม่ไม่ใช้ไม่กินแล้วของเหลือมีอของกินของใช้ทั้งหลายเหล่านี้โดยมากเวลาเราจะให้เพื่อนเนี่ยเราจะาของดีหรือไม่ดีของดีใช่ไหมไม่ใช่ของที่เราไม่กินนะ ของที่เราไม่ใช้ที่บ้านมีเสื้อผ้ากันเยอะั้มคนละกี่ชุดถึงส0มสบชุดหัหยแบ่งให้เหลือสักสิบชุดได้ไั้มเอาบริจาคทานให้หมดเลยเข้าไปไปบริจาคเลยถ้าทิ้งไว้นานเสียหมดในของพวกนี้ เ, ออเมื่อวานพูดถึงในวันก่อนพูดถึงในเรื่องของคําว่าสัตธายาทานังเทติให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยศรัทธาเวลาแล้วคำว่าให้ด้วยศรัทธานี่เป็นกลุ่มนามธรรมที่เราจะต้องปรุงแต่งจิตทําให้เกิดขึ้นจริงๆนะถ้าไม่สามารถปรุงแต่งจิตให้เป็นไปกับศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นเหล่านี้ไอตัวนี้มันจะไม่การให้ทานของเราเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า มันไม่มันไม่เพิ่มพลังดีกุศลที่จะเกิดขึ้นอย่างคือให้โดยศรัทธาเหตุผลที่คนที่เขาให้ด้วยศรัทธาเนี่ยเขาเห็นอะไรเขาเห็นคุณเห็นคุณของศรัทธาเห็นไอตรงเนี้ยพระโพธิสัตว์เวลาท่านจะให้ทานแต่ละครั้งท่านจะปรุงแต่งจิตของท่านนะปรุงแต่งจิตให้เป็นไปกับศรัทธาเพราะศรัทธานี่เป็นตัวนําของกุศลธรรมทั้งหลายอยู่แล้วใช่ไหม พอศรัทธาเกิดขึ้นจากเจตานาทานจากศรัทธาทานเนี่ยเกิดขึ้นมาเนีตัวศรัทธาเกิดขึ้นตัวความไม่โลภเกิดขึ้นความไม่โกรธเกิดขึ้นปัญญากลุ่มคุณธรรมทั้งหลายมีทั้งความเพียรทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมีสติมีสมาธิทั้งหลายเหล่านี้ที่กําลังเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งจิตประดับจิตตกแต่งจิตที่จะให้เป็นไปกับศรัทธาตอนนั้นศรัทธาจะมีความเด่นมากก็ทําลายความไม่มีศรัทธาทําลายอาศสัตยะในใจออกได้ ก็เป็นศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกให้ด้วยศรัทธาออการว่าให้ด้วยศรัทธาเนี่ยเราศรัทธาไปไว้กับอะไรเวลาเราให้ทานแต่ละครั้งเราปารบอะไรปารบพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ให้แก่สงเนี่ยโดยมากเราให้แก่บุคคลหรือน้อมถวายสงมีใครเป็นประมุขมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเราน้อมอย่างนั้นจริงห คำว่าถวายสงเราเข้าใจคําว่าให้แก่สงไหมเธอเข้าใจว่าท his his Bref, ่านคนนี้เป็นตัวแทนของสงไหมทีนี้คําว่าตัวแทนมันเป็นสองตัวแทนนะเป็นตัวแทนของสมมุติสงกับตัวแทนของอริยสงเราเอาเป็นตัวแทนของใครอาสงนี่ท่านเป็นตัวแทนของใครยอมเข้าใจคําว่าสมมุติสงไหมสงโดยสมมุติยังอมานี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสงโดย สมมติใช่ั้ยแต่สมมุตมิต้องปฏิบัติจริงไหมต้องปฏิบัติจริงงั้นสมมุติเป็นเรื่องใหญ่ไหมระหว่างสมมุติสิงกับอริยสิงเนี่ยอันไหนเป็นสง์ที่ใหญ่กว่ากันฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยเป็นตัวแทนของสมมุติสิงหรือเป็นตัวแทนของอริยสิงฮะเอาอามาเนี่ยเป็นตัวแทนของสมมติสงหรืออริยสิ์ เป็นตัวแทนของสมมุติสงฆ์ด้วยและเป็นตัวแทนของอริยสงฆ์ด้วยสมมุติสงฆ์อริยสงฆ์อันไหนใหญ่กว่ากันโอ้โหยิ่งใหญ่มากใช่ไหมอริยสงฆ์มีพระโสดาบันมีพระสกาทาคามีพระนาคามีพระอรหรันยอมได้ยินคำว่าเอกอัคราชทูตอเมริกาประจาประเทศไทยไหมเขาเป็นตัวแทนของใคร เป็นตัวแทนของประชากรในอเมริกาประชากรเขาประมาณเท่าไหร่200กว่าล้าน300อล้านประมาณนะั้นเอกอัคราชทูตจีนประจําประเทศไทยประเทศจีนมีประชากรเท่าไหร่พันกว่าล้านนั้นเขาเป็นตัวแทนไหมนั้นเนี่ยคำว่าตัวแทนเนี่ยเข้าใจไหมเวลาเราไปถาวายแด่หรืออาของไปให้เล่เาของไปให้แด่สง เรานึกถึงใครนึกถึงสมมุติสง์นึกถึงอริยสง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานทุกครั้งคิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้จะยำเกรงในสงไหมยำเกรงหรือไม่ยำเกรงยำเกรงในหมู่ของอริยสง์ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมมุติสง์เป็นสง์ที่เกิดขึ้นโดยระบบจัดตั้ง สังขาเนี่ยเป็นเกิดขึ้นโดยระบบจัดตั้งใครเป็นผู้จัดตั้งใครจัดตั้งให้เกิดพระพุทธเจ้าใช้อะไรเป็นตัวจัดตั้งใช้วินัยเห็นไหมเนี่ยมีอย่างโยมเนี่ยที่เป็นฆราวาสเนี่ยเป็นโยมผู้ชายเนี่ยเข้ามาก็มาแจ้งความจำดองว่าต้อปรารถนาจะเป็นสงก็ต้องให้วินัยเป็นตัวจัดแจง พระจัชกวางวินัยก็ไว้ยอมก็มาแจ้งความจํานงแล้วก็มาทําตามวินัยตามขั้นตอนเอาวินัยมีการคัดให้พระสงค์มีการประชุมกันเพื่อจะคัดเลือกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติยังไงต่างๆเหล่านี้นี่เห็นไหมนี่แปลวินัยเป็นตัวจัดตั้งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะสงฆ์โดยโดยพระวินัยแล้วพระวินัยก็เลยรับรองว่านี้เป็นสมมุติสงฆ์เมื่อคุณเป็นสมมุติสงฆ์แล้วต่อมาคุณต้องมาฝึกอะไรต่อ ฝึกตามศีลฝึกในการที่มาเจริญศีลเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อจะฝึกตนเองจากสมมุติสงข์เข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์พวกเราเนี่ยที่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยใครเป็นผู้จัดตั้งใครเป็นผู้จัดตั้งวิัยของพระพุทธเจ้าแบบแผนของพระพุทธเจ้านี่แหละ เรียกพวกเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาแปลว่าผู้เขาไปนั่งใกล้พระธนตรยัยใช่ไนั่งใกล้ด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำเนอะฉะนั้นพวกเราก็มีวินัยของฆราวาสไหมเขาเรียกวินัยของผู้คลองเรือนอวินัยของผู้คลองเรือนล้วก็มีวินยัยอันดับแรกต้นๆเลยก็คือศิกขาบท5ประการเป็นข้อฝึก ถามว่ายอมต้องการจะมามาเป็นอุบาสกบาสิกาแล้วเนี่ยยอมมาฝึกอะไรเนี่ยมาฝึกในศีลใช่แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมาฝึกตามศิกขาบทเดินตามวินัยฝึกตามสิกขาบทเพื่อจะให้ศีลเกิดขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้เมื่อฝึกในด้านศีลสมาธิก็ต้องฝึกไหมไหต้องศีลเนี่ยไว้กํากับพฤติกรรมสมาธรรมิเอาไว้ฝึกด้านจิตใจ ปัญญามาฝึกด้านไหนด้านทัศนนะด้านความเห็นตอนนี้ถามว่าพฤติกรรมของเราดีสมบูรณ์แบบหรือยังดีหรือยังไม่ดีฉะนั้นต้องอะไรฝึกต้องฝึกด้วยศีลจิตใจของเราเนี่ยมีคุณภาพดีหรือยังสมรรถภาพดีหรือยังมีความสามารถดีหรือยังรู้จักคุณภาพหคุณภาพของใจอะ่ะหนึ่งใจของเราตอนนี้มีเมตตาไหม คุณภาพคือเมตตาเกิดขึ้นอย่างติดต่อต่อเนื่องไหมเมตตากรุณามุติตากตัญยูกาเวทีความซื่อสัตย์สุจริตพวกนี้คุณธรรมตอนนี้มีไหมอ้าวสมรรภาพมีความเข้มแข็งไหมมีความอดทนไหมมีความตั้งมั่นไหมมีไม่มียังไม่แข็งแรงอ้าวถ้าตั้งมั่นยอมลองช่วยสงบ สักสามชั่วโมงอยู่ในอารมณ์เดียวได้ไหมได้เลยไม่หลับนะสามชั่วโมงไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าเนี่ยได้จริงๆนี่อ้าใครได้ไมายกมือที่สามชั่วโมงแบบสงจิตอยู่ในอารมณ์เดียวสามชั่วโมงไม่ไปทางไหนเลยได้ไหมนอกจากหลับแล้วมั้งได้จริงๆรเนี สชั่วโมงเลยนะนี่เขาเรียกว่าสามารถจะตั้งมั่นอยู่กี่ชั่วโมงก็ตั้งได้นี่เขาเรียกว่าสมรรถภาพสมาธิสามารถมีความสุขได้ไหมทําปราโมดปีติปัปสสธิสุขสมาธิเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ได้เลยไหมได้ไม่ได้นี่คือด้านความสามารถในด้านคุณภาพของจิตแล้วก็ด้านอะไรตอนนี้ทัศนะความมี โดยมากเราอยู่กับความเห็นหรืออยู่ได้ด้วยปัญญาเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับทัศนะมุมมองของเราให้เห็นตามความเป็นจริงเลยนะตอนนี้เรากำลังจะต้องการเลยอยากโดยมากคำว่าปัญญาเนี่ยเขาเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ไปไขควรอะไรอยากให้มันเป็นไปตามใจที่เราอยากไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> งั้นตรงนี้ก็คือในเรื่องของศรัทธาเนี่ยให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยศรัทธาอะไรจะเกิดถ้าเราให้ด้วยศรัทธาอะไรจะตามมาถ้าเราให้ด้วยให้ทานด้วยศรัทธาผลของการให้ทานด้วยศรัทธาผลของทานจะเป็นยังไงเกิดในภพต่อต่อไป เป็นผู้มั่งคั่งไหมมีทรัพย์มากไหมพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอย่างมหาศาล ร, รูปร่างสันฐานก็งดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสผิวพรรณร่างกายก็เปล่งปลัง่งเห็นไหมแล้วก็ลองดูตัวเราเองที่ตอนนี้มีไหมมีความเปล่งปลั่งไหมมีไม่มีน่าดูหน้าชมไหมดูกระจกแล้วอยากสะบัดหน้าหนีไหม ถ้าเกิดนึกว้ววนี้มันใช่มนุษย์ไมน <c oughs> ี่ตรงนี้ท้ามันเกิดเห็นไหมผิวพรรณก็งดงามได้ลูกมาก็สวยลู ก, กตัวง่ามงามบางคนได้ลูกมาโอ้โหดูเหมือนไม่ใช่ลูกคนเลยนเนี่ยได้สมบัติได้บ้านได้ของได้ของกินของใช้ทั้งหลายก็มีแต่ของดีๆน่าเรื่อมใสทั้งนั้น <c oughs> ลักษณะนี้มาจากให้ด้วยศรัทธา <c oughs> ถ้าตรงกันข้าม ตรงกันข้ามนะไม่ว่าจะเป็นได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้บ้านได้บริวารทั้งหลายไม่ไม่น่าชมเลยกระด้างกระเดืองด้วยอภิการที่สองก็คือสักกัจจทานังก็คือให้ด้วยความเคารพสักกัจจะาไปเคารพเนี่ยเ อ, อมาว่าเหมาะยมยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าให้ด้วยความเคารพเล อาคำว่าให้เคารพนี่ทำยังไงให้ทานด้วยความเคารพทำยังไงอาทำยังไงพอให้ปับระกาบติดพื้นอะไรเงี้ยนี้เคารพไหมแบบคุกเข่าเดินมาแต่ไกลเลยเคารพอย่างนี้เป่ <S <S เดินเขา่าตึกตึ๊กึกึกึกึ ก, ก, กมาอย่างนี้องี้ใช่เคารพไหมอาคำว่าเคารพนี่แปลว่าอะไรเขาทำยังไง ก็ไปเอายกจิตอันประเสริฐขึ้นจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาจิตที่เป็นไปความอ่อนน้อมนอบน้อมอ่ะแล้วก็พฤติกรรมก็นอบน้อมไปตามสถานการณ์นะไม่ใช่ว่าไอ้นอบน้อมแต่ทั้งด้านกายแต่ใจไม่นอบน้อมคนละเรื่องกันนะฉะานคำว่าให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพเนี่ยก็คือยำเกรงนั่นเองถ้าเราคิดว่าคนคนนี้นะถ้าหากเป็นตัวแทนของสงฆ์อย่างเงี้ย โอ้โห oh, อย่าเคารพมากเราเคารพในอะไรเคารพในศีลคุณในสมาธิคุณในปัญญาคุณในวิมุตติคุณในวิมุตติญาณนทนะัศนคุณโห oh, น่าน่ายำเกรงน่าเคารพมากนะคนที่มีบา ร, รมีอย่างพุทธเจ้าเนี่ยนะพระุทธเจ้ามีพระทศพลยานสิเช่นมีสัพพัญญุตยานมีอนาวรณญาณมีอินทรียาปรโรปริยัยติญาณเป็นต้นเนี่ยถามว่าพพุทธเจ้ามองเราปุ๊บเนี่ยสามารถรู้เลยว่าในหลาย อัตาภาพเนี่ยเราเคยเป็นอะไรมาเอาถ้ามีถ้ามีคนรู้จักเราขนาดนี้เราจะยำเกรงไหมอย่างเรามานั่งฟังปนมือเนี่ยแต่เราเคยเป็นมหาโจนมาห้าร้อยชาติบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมก็เหมือนพระนี่นะพระท่านพระท่านไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมมียอมผู้หญิงคนหนึ่งท่านเป็นพระนาคาเป็นพระอาริยะเนี่ยนะ แต่แล้วท่านมีฤทธิ์ด้วยสามารถรู้ว่าละจิตแล้วท่านก็รู้ว่าเออเนี่ยพระรูปเนี้ยเหมาะแก่การที่จะ อ, อ, อยู่บรรยากาศยังไงอุตุยังไงถึงจะสปายะแก่ท่านอาหารอย่างไรถึงจะสปายะแก่ท่านธรรมะประเภทไหนถึงจะสปายะแก่ท่านยมผู้หญิงคนนี้เก่งมากพรุทธเจ้าก็ให้พระ30รูปเนี่ยไปปฏิบัติตรงนี้พระกลุ่มนี้ไป ถ้าเธอก็ดูแลเรื่องอาหารดูปรับเรื่องการเป็นอยู่ของพระแล้วก็แนะนําพระได้บรรลุ ก, กันภายในพรรษานั้นหมดเลยนี่พระอีกรูปนึงได้ข่าวว่าโอ้โหเดี๋ยวเราอยากไปทดลองบ้างว่าโยมเนี่ยเก่งอย่างนั้นจริงไหมใช่ไหมพระเนี่ท่านก็ไปนี่พระนี่ท่านเป็นบุรชนนะพอไปถึงปุ๊บท่านก็ลองคิดดูว่าวันนี้อยากจะฉันอาหารอย่างเนี้ยพอลุ่งขึ้นเนี่ยเธอก็ให้คนใช้เอาอาหารมาให้เลย อ้าอย่างยอมรู้ไหมสมมติเนสเนสามเณรพ่งนี้เนีนอยากจะกินอะไรเนี่ยยอมจะรู้ความคิดของเนีนไหมมึนหมดเลยใช่ไหมไม่สามารถจะนึกออกเลยใช่ไหมอยากจะรู้ความคิดของคนอื่นไหมอยากรู้ไหมแต่ตอนนี้ถ้าให้อามาอยากรู้ความคิดของโยมอามาไม่อยากรู้หรอกไม่อยากรู้โอ้ทั้งนั้นอามาคงทุกข์ใจแน่เลยเนี่ยใช่ไหม เออการถ้ามันรู้ความคิดของคนในยุคนี้ยอมว่าจะมีความสุขไหมมีไม่มีเพราะอะไรมองคิดไปที่ความคิดไกลโอยนั่นก็ด่าเราอีนั่นก็ด่าเราอีนั่นก็ด่าเร า, า, เราคิดว่าจะมีความสุขไหมเนี่ยตี น, นี้ก็ไปไ ป, ไปมาท่านก็ท่านก็เกิดละอายใจเออเรานึกอยากกินอะไรเธ อ, อก็เอามาให้อยากกินอะไรก็เอามาให้ ไปไปมา้ารูปนี้ก็เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่ส่วนจริงได้บรรลุไหมท่านได้บรรลุระดับหนึ่งแต่นี้ท่านก็เลยมาพิจารณาดูว่าโอ้โยมผู้หญิงอันนี้เคยเป็นอะไรกับเรามานาะเนี่ยเคยเกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ยเราจึงมีความผูกพันเนี้ยท่านก็คิดคๆคิ ด, คดโอ้โหชัดเลยท่านระลึกไปเนี่ยอัตภาพคาว่า90อัตภาพคือ90ชาติเนี่ย ท่านตกใจเลยผู้หญิงคนนี้เคยตัดศรีศรษะท่านมาหมดเลยเคยฆ่าน่ากลัวไปแล้วยอมถ้ายอมระลึกชาติได้แล้วไประลึกคนที่เป็นสามีปัจจุบันแล้วรู้ว่าสามีเนะ่ยเคยฆ่าเรามายี่สิบชาติยอมจะกล้านอนกับเขาไหมกล้าหัหยโอห ว, วาดเสียวตายเลยเนี่ยใช่ไหมล่ะ เราแวงเรื่อยเลยฮะมันจะลูกมาตัดคอเราหญิงอมไหร่ไม่รู้นี่เหมือนกันนี่เห็นไหมลักษณะอย่างเนี้ยการที่ระลึกได้อย่างนี้ไ ป, ไปมาท่านก็ตกใจแล้วก็จะหนีนิยมนิยมผู้หญิงก็บอกให้ระลึกต่อไปต่อมาท่านก็ระลึกเลยไปกว่ น, นั้นจึงรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เคยมีอุปการะคุณกับเราอย่างนี้เป็นต้น ตรงนี้ที่พูดให้ฟังเรื่องการให้โดยความเคารพเนี่ยยมอยู่ที่บ้านลูกหลานเคารพดีัหมสามีเชื่อฟังไหมเชื่อฟังดีั้มว่านอนสอนง่ายคำว่าโสว่จัดสตาแปลว่าอะไร โสวจัตสตาแปลว่าอะไรความเป็นผู้เนี่ยคนไทยมักจะเป็นโบก ว, ว่าง่ายสอนง่ายนีย่มักจะแปลกันความหมายจริงๆก็แปลว่าพวกเราเป็นเป็นประเภทโสวจัตสตาหรือโธวจัตสตาโสวจัตสตาเขาแปลว่าความเป็นผู้พูดกันง่ายพูดกันรู้เรื่องง่ายพวกเราเป็นคนพูดกันรู้เรื่องง่ายไหม ง่ายไม่ง่ายเป็นคนพูดง่ายหรือพูดยากง่ายหรือยากเอา้าเป็นคนพูดง่ายหรือพูดยากพี่ไม่รู้หรือครับพูดง่ายพูด เ, เคยเห็นคนบางคนที่เราเห็นหน้าเราก็อุย้ยคนนี้อย่าไปคุยกับมันพูดยากเคยเห็นไหย ม, มีความรู้สึกหมเ้ยไม่เอาไม่เอาคนนี้ไม่พูดด้วยเราพูดยากมากฉะนั้นพระเจ้าสอนว่าให้มีโสวจัสตา ให้เป็นคนที่พูดกันง่ายก็คือพูดกันรู้เรื่องง่ายเช่นอยอมตอนนี้อย่าพึ่งหลับนะพูดอย่างยอมก็ตั้งใจโอ้ยอมเข้าใจไหมคเนี้เข้าใจไหมพอเข้าใจเสร็จปุ๊บยอมทำไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดกันพูดกันง่ายพูดกันรู้เรื่องได้ง่ายใช่ไหมถ้าพระมาพูดอย่างนี้แต่โยมกลับมานั่งหลับอย่างนี้เขาเรียกเป็นอะไร โสวจัตสตาหรือโทวจัตสตาไโทวจัดสตาความเป็นผู้พูดกันยากบอกแล้วก็ยังหลับอะไรเงี้ย <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเ <c oughs> ขาใจอย่างจากนั้นถ้าใครให้ทานโดยความเคารพเราก็จะได้บุคคลที่เป็นโสวจัตสตามาอยู่ร่วมกันสามีก็มีโสวจัดสตาลูกก็เป็นโสวจัดสตาภรรยาก็เป็นโสวจัดสตา มีบุตรมีบริวารเบาไพ่ก็มีเป็นโสวาจัสตาความเป็นผู้พูดกันง่ายแล้วก็เชื่อฟังไม่กระด้างกระเดือง mm hmm. แต่ถ้าให้ทานด้วยไม่ไม่ไม่เคารพเราก็จะมีบุตรมีภรรยามีสามีบริวารเป็นประเภททววจัสตาพูดกันได้ยากมีไหมในบ้านใครเป็นกลุ่มนี้ในตระกูลใครอ่ะพูดยากมากมีไม่มีต้องยกมือโดยที ขัดแย้งกันตลอดเลยอยู่ในบ้านเนี่ยเราเราพยายามจะอธิบายเขาบอกเขาไปคำสองคำก็เถียงเรามาป๊อปป๊อเลยมีไหมแล้วก็บอกว่าที่บ้านฉันปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย <c oughs> ยอมที่บ้านปกครองแบบไหนแบบไหนแบบประชาธิปไตยไหมใช่ไหมใครเป็นใหญ่ มีมีผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเป็นคนจริงๆหลายๆคนเขาก็บอกคนๆนี้มันกลัวกลัวภรรยาเนี่ยเขาก็บอกที่บ้านเขาเนี่ยปกครองแบบนี้ประชาธิปไตยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ให้แม่บ้านตัดสินใจเกานั้นเองเขาบอกอยู่มากี่ปีแล้วยี่สิปีแล้วถามว่าแล้วมีเรื่องใหญ่ให้ตัดสินใจบ้างไหมผมไม่มีเลยเ <c oughs> ขาไม่มีอะไรยังไม่เคยมีเรื่องใหญ่ๆให้ตัดสินใจ เข้าใจคานี้ไม่ยองเออแปลกดีอัรการต่อมาคือกาละกาลาทานกาลาทานเนี่ยอยากให้พวกเราฉลาดในกาลาทานกันนะนางวิสาขานางวิสาขาหมหาบสิกาเนี่ยเธอเป็นผู้ฉลาดในกาลาทานเธอไปขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเราบางทีเราก็เข้าใจกันผิดนะครัว่าขอพรขอพรเนี่ยแท้จริงคำว่าขอพรคือการขอโอกาสในการที่จะให้ในการที่จะกระทำความดีนางวิสาขาไปขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขอพร8ปประการอันดับแรกก็คือนางวิสาขาไปขอพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเนี่ยอันดับแรกคือนางขอว่าขอถวายอาคันตุกะทานตลอดชีพ ยอมเข้าใจคำว่าอาคันตุกะทานไหมเข้าใจไม่ยอมไม่เข้าใจก็รีบบอกดเิเข้าใจไม่เข้าใจคำว่าอาคันตุกะาอาคันตุกะเนี่ยแปลว่าแขกนะที่เขาเขาเาเขา้เขามามาจากที่อื่นมาหาเราเขาเรียกอาคันตุกะแขกที่จอดมา นี่ก็หมายการคือผ้าสง์ที่มาจากถิ่นอื่นที่จะมาที่สาวัตถีเนี่ยที่มาใหม่นางก็ขอพอบบรพระเจ้าว่าขอถวายทานแด่ผ้าที่มาใหม่ที่เพิ่งมาถึงที่สาวัตถีใหม่ในตลอดชีพถ้ายังมีผ้าใหม่มาเนี่ยเธอจะถวายก่อนเพราะว่าผ้าที่มาใหม่จะรู้ไหมว่าทางไหนบิณธบาตได้อาหารที่ไหนบิณธบาตไม่ได้อาหารไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยนางเห็นประโยชน์ตรงนี้จึงได้ถวายทานอันนี้เป็นการละทาน เหมาะสมแก่การเวลาแล้วก็ถวายทานแด่ข ม, มิกทานเข้าใจคําว่าคข ม, มิกะทานไหมแก่พระที่กำลังจะเดินทางตลอดชีพยานพระที่จะเดินทางเนี่ยถ้ามัวจะไปบินท บ, บาตเอ่ยไปเตรียมอาหารเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปไม่ทันเรือบ้างไปในไม่ทันเกวียนบ้างแล้วก็จะเป็นอันตรายในระหว่างทางเมื่อมืดข้ามก่อนเดี๋ยวถึงเดี๋ยวเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทาง นางก็เลยขอพอรจากพระเจ้าเพื่อขอถวายทานประเภทที่พระที่กำลังจะเดินทางตลอดชีพได้มาสองแล้วนะแล้วต่อไปนางก็ขอถวายแก่พระที่เขาเรียกว่าอาหารแก่พระป่วยตลอดชีพพระเจ้าก็ถามว่าเห็นประโยชน์อะไรบอกว่าพระป่วยถ้าได้อาหารที่ไม่ดีเนี่ยอายุท่านจะสั้นหรือยืน อายุจะสั้นเธอเห็นประโยชน์ตรงนี้แหละนางเป็นคนฉลาดในการทําอาหารฉะนั้นถ้ามีผ้าป่วยเท่าไหร่นางก็ขอถวายอาหารแกผ้าป่วยตลอดชีพไม่ใช่แค่นั้นนางขอพอ ร, อารจารกพระเจ้าว่าขอถวายอาหารแด่พระที่ดูแลผ้าป่วยตลอดชีพเอ้าเห็นประโยชน์อะไรบอกพระดูแลผ้าป่วยเนี่ยต้องไปหาอาหารบินทบาทเพื่อตัวเองด้วยเพื่อผ้าป่วยด้วยเดี๋ยวพ้าป่วยก็จะไม่ได้อาหารตามต้องการ ในส่วนจริงพระก็จะอายุสัน้นได้เห็นประโยชน์ตรงนี้จึงขอถวายแก่พระที่ดูแลพระป่วยตลอดชีพด้วยและขอถวายเพสัทชทานยอนรู้จากคำว่าเพสัตว์ไหมแปลว่าให้อะไรเออรู้คําว่าเพศสัตว์คองช่วยหน่อยคำว่าเพศสัตว์เรื่อให้ยาเคยเคยถวายเพสัตว์ไหมเคยถวายแก่อาหารแก่พระที่เดินทางมาใหม่ไหม เคยไม่เคยเคยถวายแกอาหารแก่ผ้าที่กําลังจะเดินทางไหมเคยไหมไม่ค่อยเคยกันเลยหรือเคยถวายอาหารแกผ้าป่วยไหมเวลาถวายอาหารแกพ้าป่วยเนี่ยเอาอาหารประเภทไหนถวายแกท่านเนี่ยบอกพวกเราหน่อยนะเวลาเราให้ทานเนี่ยโดยมากเราจะถวายทานเราจะนึกถึงใคร ถ้าเราจะถวายอาหารก็จะอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้พ่อเรานึกถึงใครแล้วก็เอาอาหารที่พ่อชอบกินใช่ั้มใช่ไหมใช่อันนี้เป็นการระทานไหมเช่นพ่อเราตายไปแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วพ่อชอบกินแกงไก่เข้าไปนะไปวัดที่ไรเห็นหน้ายอมคนนี้ก็ไก่มาแล้วเอาแต่แกงไก่มาเรื่อยมาเรื่อยเลยถามย์ไ้ทำงันบอกพ่อชอบกินแกงไก่เป็นไหมแบบเนี้ย ยังมีอยู่ไหมคำว่าไอ้ความเข้าใจพระธรรมแบบนี้มีอยู่ไหมมีไม่มีมเปลี่ยนได้หรื อ, อยังหรือเห็นหน้าพระเป็นหน้าคนตายยมถามยอมหน่อยว่ายอมเข้าใจว่าพระเป็นบุรุษไปสี่ใช่ไหมเข้าใจอย่างนั้นไหมไม่ไม่ถามจริงเข้าใจแบบนี้ไหม นึกว่าพระกินอาหารเบเสร็จแล้วเนี่ยพระจะทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์บอกเอานี่ญาติเองเอามาให้แล้วก็พอตอนกลางคืนก็เรียกพวกนี้ามาใช่ไหมบางทียังเขียนชื่อบอกาอะมาด้วยนะพ่อชื่ออะไรเขียนหมดเลยเอามาก็มานั่งดูเออเอาว่าไปเอาว่าไปแล้วมาจะไปติดต่ อ, อยังไงเนี่ย อันนี้เรื่องเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะยอมนะแล้วยอมเป็นกันอย่างนี้จริงๆยอมมาบอกอาตมาทำไมอา่าเหตุผลอะไรทำไมยอมต้องบอกอาตมาพ่อชื่อแดงบ้างพ่อชื่อมาบ้างพ่อชื่อบุญมีบ้างอะไรเนี่ยนะพ่อชื่อสุรศักดิ์บ้างอะไรเรียกทั่วมั่วหมดเลยแล้วมาก็มานั่งนึกแล้วยอมบอกทำไมเนี่ยแล้วมาก็ถามยอมบอกทาไมบอกว่า อยากฝากให้ท่านช่วยอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยมาก็นั่งเนี่เราจะที่บายให้โยมเขาเข้าใจยังไงเนี่ยแล้วยอม อ, อะไรมาบอกเอาแกงมาถวายท่านเนี่ยตอนพ่อยังมีชีวิตยอยู่พ่อชอบกินมากแกงหน่อไม้เนี่ยามาก็านึกใจโอ้ ย, ยหมอก็ห้ามไม่ให้เรากินแกงหน่อไม้ <laughs> ไอ้แกงหน่อไม้นี่หมอก็ห้ามกินเนี่ย แล้วมาก็ต้องถามยอมมาถ้าอามาไม่กินได้ไหมโอ้ยช่วยกินหน่อยอพ่อจะได้ได้อนิสงฆ์ได้นนไ ด, ได้ได้ผลบุญ จ, จะทำยังไงเนี่ยยอมกลับไปสรารภาพผิดกันเถอะนะไปที่โรงพยาบาลสงนะที่ไปเจอผ้าป่วยเนี่ยไปกาเยนะวาจาเยวเจตสาวาพุทธเทกุกรัมังปกตังมายายังพุโทโธปฏิคาณนาตูเสนะที่ไปทำให้ท่านป่วยกันก็เยอะนะเนี่ย แล้วพระบางองค์ท่านก็ไม่รู้ท่านก็นึกว่าเป็นแบบนั้นเข้าใจไหมท่านก็นึกว่าเออเราต้องกินเมื่อกินก็ไปแล้วเดี๋ยวคนตายจะได้ได้จะได้บุญจะได้ถึงคนตายใช่ไหมเข้าใจไหมเช่นว่าเออเนี่ยพ่อชอบกินแกงไก่ก็กินแกงไก่หมอบอกไม่ให้กินแกงไก่ไม่ได้ยอมก็ฝากให้อะตมากินก็กินไปอันี้แกงหมูอ่ออันี้คอเลสเตอรอลบ้างพวกไขมันในเส้นเลือดก็เยอะก็กินแกงหมูเพราะกลัวว่าอะไร ก็คนตายไม่ได้รับกุศลอยู่ไหมพวกนี้ป่วยกันเป็นแถวเป็นแนวนอนกันเต็มแล้วทําไงตอนเนี้ยยอมว่าความเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดไอ้ที่ถูกควรเป็นยังไงค่อนเป็นยังไ ง, ง, ไงอ่ะเอาควรไอ้การเข้าใจที่ถูกที่เป็นการลาทานที่ถูกต้องคือพระท่านเหมาะแก่อาหารประเภทไหน เราก็เอาอาหารประเภทนั้นไปถวายท่านนี่หลักการอยู่แค่เนี้ดังนั้นการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยใช่ไหมมันจะเหมาะแก่การเลยเมื่อเราให้ของผู้ที่รับเนี่ยเหมาะเหมาะแก่ท่านให้น้ําก็เหมาะแก่ท่านให้อาหารก็เหมาะแก่ท่านให้ให้อเครื่องนุงห่มก็เหมาะแก่ท่านให้ที่อยู่ก็เหมาะแก่ท่านใช่ไหมโอแต่ยอมใส่ชุดขาวยอมให้ฉันมาใส่ชุดขาวยุ่งเหลยแต่เนี่ยยุ่งแล้ว เนี่ยต่อไปงะไอ้เรื่องนี้ยอมไปกระจายข่าวกันด้วยนะรับปากไปหรือยังรับปากหรือยังเข้าใจชัดเจนนยังตอนนี้ไปกระจายข่าวกันให้มันชัดว่าเออไปอบรมที่เยวาวะพุทธมาไปปฏิบัติธรรมไปเจริญอานาปณนสติพอดีมีเรื่องทานกุศลเนี่ยมาบอกพวกเราก็าเป็นแบบนี้พุทธเจ้าสอนมาเข้าใจคำว่า การาารับทานอยังตอนี้ให้เหมาะแก่การนั้นเพรสัชฐานคือให้อะไรให้อะไรนะให้ยาให้ยาต้องให้ถูกกับโรคท่านด้วยไหมถ้าท่านปวดหัวให้ถ้าปวดท้องใช่ไหมก็ดูด้วยว่าท่านปว่วยเป็นโรคอะไรท่านปว่วยเป็นโรคอะไรเดี๋ยวนี้ไปซื้อพวกยาสามันประจั บ, บ้านน่ พอเปิดไปก็มีแต่ยาธาตุเต็มไปหมดเต็มหมดยิงในยาธาตุเนี่ยเคยเห็นไหมนึกในใจว่าพาเป็นโรค ก, กินอาหารกันจริงเนึกใ น, นกใจนะเออมีแต่ยาธาตุเนี่ยถวายพระเต็มไปหมดกอแปลกมากยาสามัญยาสามัญประจำบ้านพอไปเปิดโต๊ะในถ้าไปวัดไหนบอกเฮ้ยมียาอย่างนั้นบอกเปิดไปทีไรก็เจอแต่ยาธาตุทีไร <laughs> เต็มไปหมดนี่มัน ไม่ค่อยได้สังเกตนะว่าการควรจะถวายประเภทไห น, นคิร์เพศสัจทานคิลานทานก็คือการให้ทานแก่คนป่วยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอให้อะไรข้าวยมเคยทำข้าวยาคูัหยเคยทำไหมไม่ใช่ยาคูนะข้าวยาคูอะ่ะเราไปฝึกหัดทำกันบ้างดิ ข้าวยาคูเนี่ยมันจะมีคูณสมบัติอย่างนี้ให้เวลาบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือทำให้อายุยืนสองทำให้ผิวพรรณผ่องใสสามทำให้มีกำลังถ้าไม่มีกำลังนะสี่ท้าให้มีความสุขห้าทำให้สติปัญญาดีหกก็คือว่าขับลมในขับลมในกระเพาะ แล้วก็ขับลมในลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีนะและและทำให้อายุยืนนะข้าวยาโคมันมีอุสงค์อย่างนี้นางวิสาขาจะเป็นคนฉลาดในการทำข้าวยาโคม่อมีส่วนผสมหลายอย่างนะลองไป ห, หาข้อมูลกันหน่อยที่ฝึกทำพวกนี้ถวายเดชะเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดในการให้ทาน แต่ไม่ต้องเอามาถวายต่อมานะอันนี้เพราะว่ามาพูดอย่างนี้เดี๋ยวมาถวายต่อมาเดหามาพูดเพื่อหวังจะกินเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะเนต้องไปคือกับพ้ารูปไหนที่โยมเห็นว่า เ, เหมาะสมเนี่ยว่าไปฝึกเนี่ยเห็นไหมเขาเราียกทำอย่างนาวิสาขาทำเขาเราียกถวายข้าวยาคูได้อา น, นิสงส์เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งทำให้อายุยืนทําให้ผิวพรรณผ่องใสทําให้มีความสุขทําให้มีกําลังทําให้มีปัญญา ขับลมในท้องขับลมในกระเพาะขับเออขับลมในลำไส้ทำให้ช่วยระบบขับถ่ายโอ้โหเอแล้วอีกอย่างลืมไปช่วยระบบย่อยอาหารดีไม่ใช่ทาเสร็จกินเองซะเลยทาเสร็จกินเองมันอันนี้สองมันเยอะเหลือเกินกินใช่ั้ยผู้ให้อายุก็จะเป็นผู้มากด้วยอายุใช่ไหมผู้ให้ความสุข ก็จะพูดมากโดยความสุขให้กำลังก็จะพูดมีกำลังเป็นต้นเหล่านี้งั้นก็กไปฝึกในการที่จะให้นี่เป็นการราทานทุพภิกขาทานก็คือการให้ทานแก่บุคคลที่ประสบภัยหรือการอดอาหารนาวพระทานก็คือให้ทานในช่วงไหนดีผลไม้ใหม่โอ้ยทุกคนฉลาดบางคนนี่ฉลาดมากช่วงนี้เป็นหน้าอะไรก็จะาหาผลไม้ใหม่ไปถวาย อย่างนี้เป็นต้นงนั้นตอนไม่กระทันว่าปลูกข้าวก็หาข้าวมาทาอาหารผลไม้ประเภทไหนเป็นต้นเนี่ยคือเขาจะฉลาดในการที่จะให้ฐานที่เหมาะแก่การคนที่ให้กา ร, รทานจะเป็นคนที่สมหวังกอสังเกตดูเราเกิดมาเป็นคนสมหวังหรือผิดหวังให้สังเกตดูนะหิวน้าก็ได้น้ำเนียปราถนาผ้าก็ได้ผ้า โดยมากเราเกิดมาเราเป็นคนสมหวังหรือผิดหวังสมหวังหรือผิดหวังโอ้สมหวังหน้าโมทนานะอามาในผิดหวังอยู่เรื่อยเลยมีอยู่วันหนึ่งอามาก็นั่งรถไปร อ, อสมัยก่อนเนะี่ยอยู่สมัยก่อนไปนั่งรอรถเมล์รถเมล์ก็ให้พาขึ้นฟรีนี่ไม่ต้องเสียเงินนั่งไปรถสายที่เรารอมันไม่ค่อยมาอามาก็ถือไอ้ทิชชู่ถือไปเพื่อทิ้งไว้เช็ดอะไรบ้าง ร้อยรถก็ไม่มาสัทีรถก็ไม่มาทีเอ๊ะเราจะถือไว้ทําไมในกระดาษทิชชู่เห็นที่ทิ้งก็เลยทิ้งตูมก็ไปในถังขยะพอทิ้งปุ๊บสักพักหนึ่งขี้มูกเจ้ากรรมก็ไหลออกมาเลยอันนี้แปลว่าผิดหวังไหมเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยไม่เป็นแล้วเจ้าจีวรมาเช็ดได้ไหมไม่หมาะอีกแล้วไม่หม่ะอีกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันจะผิดหวังอยู่เลยชีวิตเนี่ยพวกเราแสดงไม่เคยผิดหวังเลยใช่ไหม เออดีจังเนีเอาลองตั้งความหวังที่หวังให้บรรลุทําทำไมท่านพระอัญญาโกนธัญญาจึงได้บรรลุบรรลุคนแรกในศาสนานี้เพราะอะไรเพราะการละทานจําไว้นะนี่การละทานท่านฉลาดในการละทานท่านให้ก่อน น้องชายเนี่ยไม่ให้ท่านปลูกข้าวปุ๊บพอข้าวเริ่มเป็นน้ำนมท่านก็เริ่มเอามาเริ่มทำาพิตภัณฑ์ถวายทานพอเริ่มมาเป็นอ่อนๆเม็ดอ่อนๆก็ามาทำทานแก่ขึ้นมาหน่อยก็เอามาทำแก่ขึ้นมาหน่อยก็มาทำไปต้นแต่น้องชายบอกเฮ้ยรอ้อรวดเดียวดีกว่าครั้งสุดท้ายเลยเนียน้องชายก็เลยไม่เกิดเป็นสุภัททะปริภาชกได้เป็นบรรลุคนสุดท้าย เห็นไหมใครใครเจ๋งกว่ากันท่านอัญญาโกนัญญะแต่ท่านสุภาาัททะปริภาชกก็ก็ทันพระพุทธเจ้าแต่คนที่แย่ที่สุดคือใครก็ที่นั่งอยู่นี่ไงยังไม่ได้บรรลุกันทั้งนั้นเลยยังไม่รู้ตัวอีกยังไม่รู้ตัวอีกนี่เขาเรียกขาดอะไรขาดอะไรขาดการละทานแม่พูดจนแท้ เสียงแห้งแล้วยังไม่เข้าใจคำว่ากาาทานมีประโยชน์ไหมทำให้สมหวังอ่ะเข้าใจยังก็จริงๆการให้ทานเนี่ยถามว่าเมื่อเราให้ทานเนี่ยมันมีเราต้องการอะไรจริงจริงหลักการาการให้ทานเนี่ย การให้ทานจริงๆในเป้าหมายของการให้ในพระศาสนานี้คือต้องการเป็นปัจจัยต่อการพ้นทุกข์ใช่ไหมเออเนี่ยการให้ทานโดยหลักการที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเหมือนเหมือนทานบา ร, รมีของพระบริษัาสทั้งหลายเนี่ยท่านให้ท่านสละเนี่ยเพื่อเป็นจุดเป็นปัจจัยต่อการพ้นทุกข์แต่การให้ที่ชานฉลาดที่เป็นการละทานก็หมายถึมว่ายกตัวอย่างเช่นให้ผ ล, ลไม้ที่มันออกมาใหม่ ให้ของใหม่ๆเสื้อผ้าใหม่ๆให้ของในฤดูร้อนในฤดูหนาวฤดูฝนให้ของในขณะที่คนกำลังเดินทางให้แก่ผู้ป่วยให้แก่คนผู้ยากไร้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นคือฉลาดในการที่จะให้แปลว่าอะไรรู้ไหมให้คนเขาสมหวังทาลายความผิดหวังเขาใช่ไหมเมื่อเขาผิดคือรู้ว่าเขาเนี่ยหวังอะไรก็ไปให้เขาไปให้เขาทำให้เขาสมปรารถนา แต่ความหวังของมนุษย์เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือหวังพ้นทุกข์ทำไมเราจึงไม่พ้นทุกข์เพราะเราไม่ได้ให้การลทานมาเราไม่ได้ให้การลทาน้าใจไหมเมื่อเราให้อาหารยกตัวอย่างเช่นให้อาหารแก่พระพระท่านได้อาหารเช่นยกตัวอย่างเช่นฤดูหนาวเนี่ย ใช่ไหมว่าฤดูหนาวเนี่ยอาหารประเภทไหนที่จะเหมาะแก่ท่านโอเราฉลาดเราก็ให้อาหารประเภทที่จะให้ความอบอุ่นในร่างกายเมื่อท่านบริโภคอาหารที่ได้ความอบอุ่นในร่างกายแล้วท่านก็ทำร่างกายของท่านที่ดีนั่นแหละเอาไปฝึกในศีลไปฝึกในสมาธิไปฝึกในปัญญาพัฒนาจนในที่สุดจริงท่านเลยได้บรรลุเลยเขายายัางเพราะท่านได้ได้เหตุปัจจัยที่เหมาะสม อีกอย่างหนึ่งเกิดในฤดูร้อนความร้อนในร่างกายท่านสูงเราก็ให้อาหารประเภทลิดเย็นให้แก่ท่านให้ดับดับความร้อนท่านได้อาหารแล้วท่านก็ไม่ฟุง้งซ่านท่านก็ไปฝึกในศีลฝึกในสมาธิฝึกในปัญญาที่สจริงท่านก็บรรลุได้นี่แปลว่าให้ความสมหวังหมหนึ่งสมหวังทังด้านร่างกายไม่พอสองท่านได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองจนสามารถบรรลุได้อาต่อไปเราให้อะไรเนี่ย โอ้เห็นท่านลําบากในเรื่องของยุงบ้างเหลือบบ้างไลบ้างฝนตกบ้างใช่ไหมแล้วก็ไปสร้างบรรณดาลาเล็กๆอะไรก็แล้วแต่คุ้มกันแดดกันฝนกันลมให้กับท่านแล้วก็ให้ท่านได้เดินจงกรมได้งูจะไม่กัดท่านตะกรบตะขาบจะไม่ต่อยท่านเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็ได้ข้อมูลได้ได้ตรงนั้นแล้วท่านก็ไปฝึกฝนพัฒนาจนาในสินจริงท่านประสบความสมหวังเข้าใจย่างนี่ก็เรียกให้การาทานเป็นเหตุทําให้เราได้ สมหวังท่านัญญากชัญญาท่านทำแบบนี้ท่านให้ความสมหวังแก่พระในยุคก่อนพอมาในปัจจุบันภะพท่านเลยเป็นผู้บรร ล, ลุคนแรกของจักรของโลกนี้เลยบรร ล, ลุเห็นไหมเป็นสักขีพยานของพระุทธเจา้าของธรรมะที่พริุทธเจ้าทรงสแสดงด้วยอธิษฐานแปลว่า คำว่าอธิษฐานไม่ใช่การร้องขอนะอธิษฐานก็แปลว่าการตั้งใจมั่นขอทานนี้จงเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ให้ไชัดไหมขอทานกุศลที่ข้าพเจ้ากระทาในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ของข้าพเจ้าจงเป็นปัจจัยแก่ความสมหวังของข้าพเจ้าเถอดเพราะข้าพเจ้าหวังความพ้นทุกข์เราเราทําอย่างนี้ไม่เวลาให้ทาน เออต่อไปก็ไปตั้งหลักใหม่ดีไหมงั้นการละทานสำคัญไหมสําคัญไม่สําคัญว่ามา เ, เ อ, อทานน่ให้คือลําดับมันเป็นอย่างนี้ว่าเราจะให้แก่สุ น, นักหรือให้แก่สัตยราชานให้ได้ผลกี่เท่า ใช่ไหมเราฟังมาแล้วจะเรียนให้แก่คนทู้ศีลให้แก่คนมีศีลให้แก่คนภายนอกาศาสนาให้แก่คนในพระาศาสนาที่ต้องการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุอะไรต่างๆๆจนถึงการให้แก่สงเราก็ดูว่าอะไรที่มีผลมากอา น, นิสงส์มากต่างกันการให้ทานเนี่ยไม่ได้จำกัดแต่ว่าคนฉลาดเขาก็ให้ทานแก่ถามว่าวัตถุทานเรามีมากหรือน้อยมากหรือน้อยตัวเราเองมีวัตถุทานมากหรือน้อย มากเลยน้อยเลี้ยงคนทั้งโลกไหวไหมเออเนี่ยต้องฉลาดในการให้ต้องฉลาดในการให้ใใหถ้ามีถ้าสามารถเลี้ยงคนทั้งโลกได้ระดมเลยตั้งโรงทานยี่สิบยอดแจกทุกวันนะพอใครเข้าใจเนาะเข้าใจไหมเอออ๋อ ก็เหมือนยีวรเนี่ยท่านก็ห้ามสีดำรองเท้าก็ก็ใช้สีที่เออใช่สีที่เขียวปิดอะไรนี่ก็ไม่ได้นะก็ก็สีที่เหมาะสมฉนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของฉันต้องฉลาดอยากให้พวกเราฉลาดในเรื่องการละทานว่าการละทานเป็นเรื่องใหญ่ มันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้ได้รับความสมหวังคำว่าการทานอย่างยกตัวอย่างเช่นทุพพิการเนี่ยให้ทานแก่คนที่ประสบภัยพิบัตินะเช่นอดอยากก็ดีหรือว่าไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวพวกนี้เขาเดือดร้อนแล้วก็ไปให้ได้เย๋ไม่ใช่ไม่ได้นั่นก็คือให้ความสมหวังใช่ไหมคนที่ให้ความสมหวังก็จะเป็นเหตุให้ความสมหวังนีให้เป็นเหตุ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกใบนี้คือความผิดหวังความผิดหวังไปอยู่ที่ไหนก็ผิดหวังเราอยากจะได้เสียงเพราะๆก็มีแต่คนพูดกันแนนกันแหนเราทั้งวันเลยอย่างนี้นะพาพูดกับเราก็อยากให้พาพูดกับเราดีๆ <c oughs> ใช่ไหมแต่าพาเกิดมาญาติโ ย, ยมที่มานั่งกันอยู่ในทีน่นี้ไม่ใช้ไม่ได้สักคนเลยอย่้โยมฟังก็ชื่นใจไหม โอ้โหยอมที่มานั่งในทีน่นี้รู้สึกแต่ละคนเนะี่ยล้วนแต่เป็นคนที่ใช้ได้หมดเลยฟังนี้เชื่อใจไหมเอาการละทานผ่านไปยังถ้าให้ของผิดการผิดเวลาผิดบุคคลและจะกลายเป็นคนที่ได้อะไรผิดการผิดเวลานะนี่มันมันสัมพันธ์กับชีวิตเราด้วยนะเคยไหมล่ะ ไปให้ของผิดการผิดเวลาเช่นคนป่วยแล้วก็อาหารสแสลงไปให้เขาใช่เอาของที่ผิดพระวินัยไปถวายพระเป็นเป็นเป็นการลทานหรือเป็นอาการลทานเป็นอาการลทานอย่าทำอย่าทำเอาเหล้าไปถวายพระ ไ, ไ, ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้หลังเพนไปแล้วก็ ส่งบิณโตให้พระเอาอาหารไปถวายท่านฉันได้ไหมเอาเงินและทองไปถวายท่านอันนี้ก็เป็นผิดนะผิดเป็นอับบาตร ท, ทาให้พระท่านผิดศีลท่านก็เป็นโทษกับท่านเยอะไหมนะครับนะครับท่านก็ตกนรกเลยนะโยมเนี่ยตกนรกเลยโอ้โหใครเคยเอาเงินใส่บาตรพระยกมือขึ้นอ่ะ ยกมอือเอออมาก็เคยเอมมาจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ยอ้าวใครเคยเอาเงินไปใส่ในบาทพระเลยเดี๋ยอยากดูพระถือบาทมาแล้วเเงินใส่บาทเลยเออใส่ย่ามอันเดียวกันนี่แหละอา้าวใส่ยามด้วยอา้อาวยกมือที่อยากดูโอ้โหเยอะหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีเรื่องก่อนหน้านั้นเขาก็เข้าใจกันดีนี่แหละมันมีอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นมันมีเครือข่าบดีคนหนึ่งเข้าใจคําว่าครือข่าบดีไหมแปลว่าอะไรคนมีทรัพย์ท่านเบือ่อท่านอยากบําเพ็ญเนคคามะคือท่านอยากบวชทีนี้พอท่านอยากบวชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทิ้งแบ่งทรัพย์สมบัติเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็ทิ้งละทิ้งสมบัติแล้วท่านก็บอกญาติมิตรทั้งหลายว่าจะไปบวชตอนนั้นท่านอยู่ที่ชมอยู่ที่อินเดียแต่ตอนนั้นพุทธศาสนาจเจริญในลังกามากท่านก็จะต้องนั่งเรือ ข้ามทะเลใช่ไหมจากอินเดียเพื่อจะมาที่ลังกาท่านก็ต้องมารอในยุค ก, ก่อนเนี่ยจะต้องใช้เวลานานไหมนานมากไปรอท่าเรือเป็นเดือนเดือนกว่าเรือจะออกเดินทางกันเนี่ยท่านก็ไปรออยู่นั่นแหละแต่นี่ด้วยความที่เป็นคนฉลาดเป็นผู้บริหารเป็นการค้ามาก่อนเนี่ยพอไปอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยท่านไม่เอาเงินไปเลยนะเตรียมแค่งเงินค่าเรือแค่นั้นเองแต่ท่านไปดูเออเนี่ยเฮ้เราอย่ามานั่งอยู่นั่งเฉยๆเลย มันมีท่าเรือนั้นก็เป็นท่าเรือนั่นก็เป็นท่าเป็นท่าสินค้าเนี่ยท่านก็เลยมีเงินส่วนหนึ่งก็เริ่มแล้วเริ่มบริหารเลยจากท่านี้ไปท่านู้นใช่ไหมบริหารสินค้าเอาจากนี้ไปลงไปจําหน่ายที่โน้นที่นี่ทําอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ได้เงินมาเยอะเลยน่แค่เดือนเดียวท่านก็ได้เงินมาเยอะว่าได้เงินมาเยอะอ่ะถึงเวลาเรือออกท่านก็เอาเงินใส่ห่อพกสะพายไปแล้วท่านก็ไป นั่งเรือไปพอไปถึงข้ามฝั่งไปเดินทางไปแรมเดือนนี่แหละพอไปถึงที่ลังกาทวีปลังกาประเทศลังกาในทุกวันเนี่ยแล้วท่านก็ขึ้นไปก็ไปแจ้งความจำดงเนี่ยพระสงฆ์ว่าท่านจะมาบวชพระก็บอกเออให้เข้ามาทีนี้คนก็ไปรู้ข่าวว่าท่านจะมาบวชโอ้ยเขาก็พากันจะมาอนุโมทนากันใช่ไหมชาวบ้านใช่ไหมมากันเต็มหมดเลยที่ในโรงอุโบสถนี่แหละพอท่านเข้าไปเวเส็จพระ พราที่นั่งกันในโรงชุมอุโบสถก็ถามว่าอุบาสกอะไรในห่อผ้างท่านน่ะเอาอะไรอะไรเงินว่าเงินพระก็บอกว่าเงินและทองไม่เหมาะไม่ไม่ไม่เหมาะไม่คู่ควรแก่สมณะพระาห้านจับเงินและทองอุบาสกนี่ก็เลยบอกว่ายอมนี่ก็ เ, เออไม่งั้นเดี๋ยวให้ให้ไปสลาก็บอกแกก็เลยนั่งเรยกว่าถ้าอย่างนั้นคนที่มางานบวช ทั้งหมดอย่าได้กลับไปมือเปล่าเลยเขาจอยัยงก็เอาเงินนั้นมาแจกแจกคนทั้งหมดเลยให้ทุกคนได้เงินกันเสร็จไม่ได้กลับไปมือเปล่าเลยนี่บ้านเราก็ไปเอาประเพณีนี้มาแล้วเมื่อท่านสละเงินเสร็จแล้วท่านก็บวชประพฤติปฏิบัติบ้านเราก็ไปเอาประเพณีมาเวลาจะบวชก็ต้องมีการโปรยทานแต่พอโปรยเสร็จก็รับใหม่อีก นี่นมันไปนมันมันงอกนี่นี่ปเปรียญีงอกเข้าใจยังเข้าใจไหมทําท่างงอีกเข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าพระก็ต้องสละถ้าจะมาบวชก็ต้องสละสละทรัพย์สละบุตรสละภรรยาสละญาติพิทสละพอ่อแม่ก็ต้องออกบวช ออกบวชจากเรือนออกบวชด้วยศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องได้เรือนแล้วนะไม่เกี่ยวข้องทีนี้พอไปไปมาบ้านเราก็จะมีวิธีนะเอามาบวชใหม่ๆเ่ามาก็เป็นแบบนี้โอ้จะต้องเอาตะตังมารัดเอามามามามัดใส่ใส่ฟอยเหลืองๆนะมัดมัดมัดโอ้ยเต็มหมดแล้วแล้ว แล้วก็มีการแห่หน้ากันด้วยนะเอามาก็โอ้โหนั่งอยู่บนคอคนนี่แทบเขามีการกระโดดกระเต้นด้วยเนะีแล้วนึกโอ้โหทรมานั้กเกินไตอนนั้นก็ไม่รู้พอเบ็ดเสร็จก่อนจะเข้าโบสถ์แล้วแต่นี้เอาแล้วแต่นี้แล้วหวานหมายคนวิ่งเก็บกันหัวชนกันบ้างอะไรบ้างเนี้นะเบ็ดเสร็จพอบวชเสร็จแล้วออกมาแล้วแต่นี้เป็นพระโอ้ยยอมรอกันเป็นแถวเอาเงินใส่บาทบ้างใส่ยามบ้าง คิดดูเนะี่ยคนมาในงานบวชที่อามาบวชอามาได้4นะี่พันในยุคนั้นเน่ยเยอะไม่เล่าอามาก็ไม่รู้ไงโอ้โหได้สี่พันบาทวันนึงได้ทั้งสี่พันบาทแต่ก่อนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วต้องสละสละให้หมดอย่างนี้เป็นตน้นเข้าใจยังเข้าใจแล้วจะทำแบบนี้อีกไหม จะทํำยังไงวิธีการต่อไปบางคนกลับคิดว่าแล้วท่านจะอยู่ยังไงในค่าน้นําล่ะในค่ารถเดินทางใช่ไหมเราก็คิดกันอย่างเงี้ยเออท่านจะอยู่ยังไ ง, งจริงอยอยววจริงเขามีวิทยากรดูแลอยู่ทุกวัดนะจะท่านใช่ใชให้วิทยากรจัดแกงดูแลท่านไป ถ้าท่านรักจะรักจะอยู่ในเพศนี้ก็ต้องทําให้ถูกเนี่ยนะจะพูดอย่างนี้ที่กระเทือนใจกันนะใช่ไ้มล่ะยมมังกรบอกเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นธรรมยุทธ์อันนี้เป็นมหากาก็ <c oughs> <c oughs> เลยไปใหญ่นี่เป็นผ้าป่านี่เป็นผ้านี่นี่เป็นผ้าปฏิบัตินี่เป็นผ้าไม่ปฏิบัตินม่ไปแยกกันอยู่อย่างงี้แท้จริงไม่ว่าใครเข้ามาในาศาสนาของพระพุนธเจ้าแล้วมีกติกาเดียวกันหมดคือไม่เกี่ยวข้อง นี่เราถ้าเราไปนั่นปุ๊บเราก็เป็นการลทานหรือไม่เป็นเป็นอากาศลทานนะเราปรารถนาความสมหวังหรือผิดหวังเราทำแบบนี้แล้วเราจะได้ความสมหวังหรือผิดหวังเราก็จะได้ความผิดหวังเอาไหมท่านก็ตรงนู้นไปลงเอาอบายทุกขติวินิาบาตรในะลกเราก็เดือดร้อนเนาะน่ากลัวเรื่องความไม่รู้นี่แหละ เอาอนุขะหิขตาทานก็คือว่าอนุขะหิตตาจิตโตทานางทังเทติการให้ทานหรือการบริจาคโดยการสละอย่างแท้จริงไม่มีการยึดเหนี่ยวไอ้สละอย่างแท้จริงก็คือว่ายึดอะไรไม่ยึดอะไรเนี่ยสละอะไรกันแน่เวลาให้ทานเนี่ยสละอะไรสละกิเลส อามาเคยเล่าหลายครั้งนะเวลาคนมาถวายของอามาเนี่ยอามาจะถามเรื่อยว่าโยมถวายจริงไหมโยมก็บอกถวายจริงๆบางคนไปถวายอาหารปุ๊บเนี่ยก็จะคอยจ้องดูจ้องนี่จกินของเราหรือเปล่ากินของเราท่านตักบางสินี่ไม่จะชี้ไงนะชี้ให้ตัก อามามีคนก็ถวายเป็นปินโตเดินไปวินาบาตเข้าปินโตถวายมาก็รับนี่ว่าเดินไปหน่อยวันฝนมันตกมันลื่นพอลื่นเออล้มล้มอามาก็ปินโตก็กระแทกดินโตมเนี่ยยอมร้อ ง, องวายหกวันแล้วอแทย้ยังไม่ทันหกหรอกอามาก็ถามว่าโยมลุกขึ้นมาใหม่อามาก็ถามมายอมอันนี้ถวายใครถวายพระเป็นของใคร เป็นกองพระแล้วถ้ามาเททิ้งเป็นไงเอ้ยไม่ได้ท่านไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอย่างเงี้ยมีกรณีแบบนี้เรียกว่าสลากขาดหรือไม่ขาดไม่ขาดใช่ไหมยอมเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็นเลยนะแมมน่าจะมีพระสักองนะเวลามีคนเอาของมาถวายแล้วก่อไฟไว้สักกองดีไหมโยมพอยอมถวายปั๊บ โยนเข้ากองไฟตุ้มโยมจะสาทุเลยไหมสงสัยไม่มีใครไปเลยนะเอาเอาเอาของไปถาวายเปล่าก็โยนเข้ากองไฟตุ้มทํางนโอ้โหโยมมีอใจขาดเลยทนะัที่จริงก็คือพันลับเลยนะก็ไม่ไม่ทำลายศรัทธาโยมด้วยแต่ตรงเนี้ยต้องการเือถ้าให้แบบไม่สละขาดกับให้แบบสละขาดนะ อยากให้พวกเราฝึกในการให้แล้วสละขาดคิดให้มากก่อนนะของที่เราจะไปถวายเนี่ยนึกเลยว่าเออเนี่ยถ้าเราไปถวายของชิ้นนี้แล้วเราเราให้สีเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นเป็นทานให้รสเป็นทานให้โพธพภะให้ธรรมารมีทานเราให้สละขาดแล้วการให้อย่างนี้ผลตามมาคือ เมื่อได้สิ่งของมาแล้วก็กล้ากินกล้าใช้กลรร้กาสละกล้าลงทุนเราของที่บ้านเราทั้งหมดเนี่ยที่คเรามีเงินมีทอ ง, ม, ทองมีทรัพย์มีของใช้ทั้งหมด เ, เรากล้ามาใช้ไหมมาเห็นบางบ้านเนี่ยเขาชอบสะสมไอ้เครื่องลายคามบ้านใครมีไหม เครื่องรายคามเครื่องชุดใส่อาหารเนี่ยจะเป็นของเครื่องเก่าๆเป็นถ้วยเก่าๆจานเก่าๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะเครื่องสังคโลกอะไรเขานีนะ่เก่าๆแล้วเขาไม่เอามาใส่อาหารกินเรกใส่ตู้โชว์ไว้ปีหนึ่งบางครั้งเนี่ยนี่มนภาพมาทีก็ามาใส่ถวายพระครั้งนี้ามาก็มานั่งนึกเออยอมเป็นคนเฝ้าทรัพย์นี้ในนื้อใจนะเขาเฝ้าเฝ้าทรัพย์ ่ามาเล่าเรื่องสมเด็จสังกัฐยเท่านั้นท่านชื่อสมเด็จป๋าวัดโพเราคงไม่ทันกันมั้งคือเขาจะมีไอ้ป้า น, น้ำชาสมัยราชวงศ์อะไรของจีนยุคเก่าๆ เ, เคยเห็นไหมป้า น, น้ำชาที่มันออมีราคามาก ของแพงมากแล้วท่านก็ท่านก็ทรงห่วงมากเนี่ยบอกว่าเวลาคนจะยกมาถวายท่านก็จะบอกว่าระวังมันจะแตกนะนี่ของมีราคางนั้นโยมที่คอยดูแลอยู่ก็โอ้โหต้องคอยประครบประงม อ, งอย่างดีใส่น้ำชาไปถวายท่านทุกวนันทุกวนันท่านท่านฉันน้าชาเนี่ยมีวันหนึ่งอะไอ้เจโยมคนนี้ก็ไปล้างท่าไหนแล้วแตก หลุดมือแตกเดียวตอนี้พอหลุดมือแตกแตอนนี้โอ้โหตายแล้วอยว่างนี้เราหัวขาดแล้วมั้งนี่นึกใใจกลัวมากใช่ไหมกับอยู่กับประเทลานี่ท่านก็ต่อพอสมเด็จออกมาก็คานตทุบๆๆเข้าไปไปถวายรายงานบอกว่าเอาอะไรโยมปานปานน้ำชาแตกแล้ว ท่านอึกเลยนะท่านอึกแป๊บหนึ่งนะท่านก็หายใจออกว่าลองออกไปทีต <c oughs> ้นบอกว่าเออมันลองอกไปทีอ่ะที่แตกได้ก็ดีอ่ะเขามันท่านก็เป็นห่วงเหมือนกันมันแพงจัดต่อไปจะได้ไม่ต้องรักษาแล้วเข้าใจอยังเราเคยเป็นแบบนี้ไหมถ้ากลับไปบ้านเกิดไฟไหม้บ้าน ถอนหายใจไหมโล่งอกไปทีอย่างงี้เป็นงบางกลับไปบ้านสามีไปมีเมียน้อยหนีออกจากบ้านไปแล้วแล้วถอนหายใจไหมโล่งอกไปทีอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือว่าค้าละขาดเนี่ยมันสละจริงๆนะะไหม สลากแล้วมันเหมือนตัดเยื่อใยอะ่ะตัดตัดจริงๆประดุดดังเด็ดดวงใจยื่นให้ตอนที่พระเวสสันดรให้กันหาชาลีท่านสลากขาดไหมนั้นพอชูชกได้กันหาชาลีไปแล้วแล้วตีต่อหน้าเลยทบตีต่อหน้าเลยท่านเป็นยังไงท่านทำท่าเหมือนกันทีแรกอะ่ะ ทำท่าจิตใจแบบเอะอึกเหมือนกันสักพักหนึ่งท่านก็นทำปลาโมดปีติเกิดขึ้นเคยไหมละ่ะเคยให้บุมั้มกล้าไหมกล้าให้บุรให้เป็นทานไหมเอาใครมีบุรชายบางยกมือลูกผู้ชายอะ่ะเอาเลยกลับไปสละถวายพุทธเจ้าเลยเอ่ะถวายเลยได้ไหมบอกกัาฉันไปฟังเรื่องทานกุศลมาแล้วต่อไปฉันจะสละขาด เอาแล้วเธอเนี่ยเป็นลูกของฉันฉันต้องการถวายเดียพรุทธเจ้าฉันไม่เอาเธออีกต่อแล้วต่อไปแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทําได้ไหมถวายพุทธเจ้าเลยโย่เป็นทานไหมโอ้โหเป็นมหาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เลยสามีก็ได้ยอมไปบอกเลยไปถึงก็ไปบอกเลยบอกว่าไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอออกจากบ้านแล้วไปบวชนะฉันต้องการถวายเธอเป็นพุทธเจ้าเออถวายเธอเป็นพุทธบูชาได้ไหมนีย่ยถ้าทําได้งี้ดีมากเลย ้องไปคิดดูนะหวงไว้ทำไมหวงไว้ทำไมถวายพุทธเจ้าดีไหมฝึกถวายครั้งละสามเดือนก่อนก็ได้ครั้งละสามเดือนสามเดือนเดียวก็ได้ผลนี่เป็นการสละขาดฉะนั้นการให้สละขาดเมื่อเราได้ทรัพย์ได้บุตรได้บริวารมาแล้วเราก็กล้ากินกล้าใช้กล้าลงทุนไม่ได้แค่เป็นแค่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์บางคนเนี่ยม า, มาก็ได้เฝ้าอยู่นั่นแหละ เป็นคนคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติบ้างเฝ้าตึกบ้างอะไรเนี่ยโอ้โหน่าเป็นปวดหัวแทนเนี่ยนะลำบากมากไม่ได้ทําอะไรเลยวั น, ว, น, ว, นวันก็เที่ยวเฝ้าอยู่นะมียอมคนหนึ่งเอ๊ะพูดดีไหมเนี่ยอเธอไม่ค่อยฟังทำํำเราก็ไม่เป็นไรถึงเขาบันทึกไว้เธอก็ไม่ฟังอยู่แล้วเออเนี่ยเฝ้าอยู่นั่นแหละไปเฝ้าให้คนอื่นเฝ้าทรัพย์ให้คนอื่นอยู่นั่นแหละที่เฝ้าไว้ให้หลานเนี่ยหลานยังตัวเล็กๆอยู่เลยพ่อแม่ก็พากันตายหมดแต่ก็มีทรัพย์สมบัติอยู่บางคนหนักไปกว่า น, นั้นอีก เฝ้ารั์ไว้ให้แมวก็มีนะให้แมวก็มีสุนัข ก, ก็มีมีเจ้าของมันตา ย, ยางไงก็ทำพินัยกรรมก็ไว้ยอมว่าหมีแพนด้าก็ยอมใครรวยกว่ากันอะใครใครใครรวยกว่ากันหมีแพนด้ามีบ้านราคาเท่าไหร่บ้านเขาคมนอนดู่แล้วห้าสิกว่าล้าน แล้วมีคนดูแลอย่างดีมีหมอประจําตัวเรื่งต่างเยอะแยะเบีดเสดหมดเนะี่ยสรุปแล้วหมีแพนด้ากับเราใครรวยกว่ากันอิจฉาไหมทานกุศลเขาเด่นไหมแต่ศีลกุศลเป็นยังไงเห็นไหมศีลไม่ดีแต่ก็ยังว่านะอย่าไปอิจฉาก็ เ, าเรายุ่งเลยนะเดี๋ยวตายไปเป็นหมีแพนดา้ายุงยุ่งเลย เอาข้อสุดท้ายอนุปปหัดจะทานการให้ทานโดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นเราเป็นไหมข้อนี้เป็นไหมเนี่ยวันนี้เลยพูดแต่เรื่องทานเยอะเลยเนี่ยพอจะเข้าใจไหมอยากให้พวกเราเข้าใจเรื่องทานเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้ววันพรุงนี้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปก็เลยจะต้องไปบริจาคทานกันเนี่ยเนี้ยไปให้เนี่ยให้แบบสละให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นใครชอบให้ทานแล้วมีจิตแง่งอน ให้ทานแบบมีจิตแง่งอนนี่ยคำว่าแง่งอนเข้าใจไหมหงุดหงิดแง่งอนไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้กำลังมีจิตแง่งอนบางคนเป็นจริงๆเลยนะจะให้ทานแต่ละทีก็ว่าคนนั้นคนนี้อยู่นั่นแหละบางทีเราจะไปให้ทานมีคนหนึ่งตัดนะลำคาญไนอะ้คนคนนี้อะไรเงี้ยนะเป็นไม่เป็นให้ทานแบบจิตแง่งอนไอ้ตรงเนี้ยกระทบแล้ว เมื่อให้ทานโดยการกระทบตนและบุคคลอื่นเนี่ยพ้ทานชนิดนี้เมื่อเราได้ทรัพย์ได้บุตรได้ภรรยาได้ใครมาก็ถูกร ก, รรถ ก, ถกระทบกระทั่งได้รถมาถูกกระทบกระทั่งได้บ้านมาก็ถูกพ้นถูกจี้อะไรก็เลยเยอะแยะในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นแบบนี้น้ําท่วมบ้างไฟไหม้บ้างโจรป้นบ้างนะแผ่นดินไหวบ้างอะไรมีเกิดความวิบัติเกิดถูกรีบทรัพย์ บ, บ้างอะไรเนี่ยนี่ให้ทานด้วยจิตเงียบงนันมันมีโทษ ด, ด้วยมีทรัพย์มาก็ทรัพย์ก็ต้องถูกกระทบกระทั่งตลอดเวลาเลย ขนาดแม้ป้องกันดีขนาดไหนก็ถูกกระท่กระทั่งอยู่เลยเป็นไม่เป็นมีไหมไม่มีใช่ไหมฉะนั้นให้ทานแบบไม่มีจิตแง่งอนก็จะเป็นผลดีเนาะาตอนนี้ดูวัตถุเวลาพระบริษัทท่านพิจารณาพระพุทธเจ้าพิจารณาถึงวัตถุทานว่าพระองค์ไม่ให้ทานเพราะหวังอุปการะตอบแทนเวลาพระโิษัทวท่านให้ทานเนี่ยท่านจะไม่หวังอุปการะแต่ตอบแทนนะ แม่ทานให้กับคือสัตราวุธิเอยให้ยาพิษให้ของมืนเมาเนี่ยเป็นทานไหมให้ยาพิษเป็นของมืนเมาไอเป็นเป็นทานไหมให้เหล้าเป็นทานไหมให้หญิงกก่ชายชายกก่หญิงเป็นทานไหมไม่เป็นนะของพวกนี้นะให้ถ้าให้ของคารวะก็เหมาะแก่คาวาะให้แก่บรรพชิตก็เหมาะแก่บรรพชิตนะนะ ให้วัตถุทานที่ประณีตพระพุทธเจ้าเวลาให้ทานตอนที่ท่านเป็นพระบริสัตเนี่ยไม่ให้เพราะหวังลาบยศสุขสารเสริญเราเป็นอย่างนั้นไหมให้ทานแล้วเราจะได้เกียรติยศชื่อเสียงให้ทานแล้วเราจะได้ถูกยกย่องเนี่ยและใครให้ทานเพื่อหวังไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์มีไหมถ้ามีก็เปลี่ยนความรู้สึกซะนะให้ทานเพื่อหวังเป็นปจัจจัยต่อความพ้นทุกข์ บางคนให้ทานเหมือนเหมือนกับการทิ้ง เ, เคยมีใจแบบให้ทานเหมือนโยนของทิ้งไหมเช่นให้เศษเงินแก่ขอทานเป็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยให้แบบเสียแค่นไม่ได้อะเคยเคยหรือไม่เคยเหมือนเอาของการให้ทานกับการเอาของไปทิ้งในกองขยะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหน ช่วยอธิบายหน่อยทีเวลาเอาของไปทิ้งกับการให้ทานเหมือนกันไหมการเอาของไปทิ้งเนี่ยเราทิ้งแบบเรามีความารู้สึกยังไงรังเกียจไหมเออแบบรังเกียจเราของไปทิ้งใช่ไหมแต่การให้ทานเป็นแบบนั้นไหมการให้ทานไม่ใช่อย่างนั้นเราให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเชื่อมั่นนี่คือความต่างกันนะ ฉะนั้นการจะให้ทานต่อไปต้องให้จิตเลื่อมสายก่อนหรือไม่ให้เลื่อมสายก่อนต้องให้จิตเลื่อมสายก่อนจึงให้เพื่ออนุเคราะห์บ้างให้โดยการเคารพในทานและในผู้รับทานเป็นต้นด้วย น, นให้ด้วยความเคารพด้วยใครให้ทานเพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวยกมือยกมือเคยไหมล่ะช่วงนี้เป็นช่วงดาวอะไรนะ ดาวลาหูมันเริ่มโครจรมามาชนกับดาวมฤตยูมันจะเกิดเพศเกิดภัยอันตรายในบ้านเมืองฉะนั้นเราได้ข่าวอย่างนี้ก็เลยรีบไปให้ทานใครมีแบบนี้บ้างให้ทานเพราะมงคลตื่นข่าวมีไหมรีบยกมือสิมีไม่มีโอ้โหมีแต่คนมั่นคงในพระรัตนตรัยกันทั้งนั้นเลยน่าสาธุไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยใช่ไหมมีไม่มีมีไหม ไม่ให้ทานเพราะเชื่อมองคลตื่นข่าวเชื่ออะไรเชื่อกรรมและเชื่อการกระทำใช่ไหมเชื่อการกระทำเป็นแบบนี้จริงเลยช่วงนี้ปีนี้ใครเกิดปีมะเคยได้ยินข่าวนี้ไหมต้องทำบุญเกวัดโอ้โหรีบเหมารถกันใหญ่เลยไป9้าวัด แล้ววันหนึ่งต้องทําให้ได้9ก้าวัดด้วยโอ้โหลําบากเลยตอนนี้เคยเป็นไหมใครเคยไปทําบุญเก้าวัดยกมือขึ้นนี่จะปีใหม่ปีไม่ใหม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทำทำไมต้องทำเก้าวัดในประเทศไทยมีวัดกี่วัดนี่เนี่ยแล้วก็ชอบเอาเลข9้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราก็ไม่รู้ <c oughs> เลิกคิดเลยนะเรื่องแบบนี้นะคิดเป็นเหตุเป็นผลดีกว่า ให้ทานเพราะเชื่อกรรมและผลของการกระทาใครให้ทานด้วยแล้วก็ใช้วาจาหยาบคายด้วยเคยไหมเรานึกถึงอดีตที่ใช้วาจาหยาบคายด้วยแล้วก็ให้ทานด้วยเช่นว่าคนมาตะโกนขอแล้วลาคานนะี่ยมันเรียอะไรอยู่นั่นแหละที่มาเล่นอะไรนะก็เรียกว่ามาลําอะไรนะถ้านาเทศกานะลเนี่อล้ำสิงโต เข้ามาเสียงตึงตังตึงตังตึงตังหน้าร้านอยู่นั่นแหละเราก็เลยให้ด้วยความรำคาญรีบโยนเงินให้ไปมันจะได้ไปร้องไกลๆมีไหมลักษณะอย่างนี้การให้ทานไม่ควรให้ทานด้วยวาจายาบคายในพระวิชาท่านจะไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้เมื่อเกิดความโลภเนี่ยเกิดความพอใจในวัตถุทานก็ดีหรือเพราะกิเลสที่สั่งสมมานานก็ดีเพราะความอยากของตัณหา พระโพธิสัตจะกําหนดรู้และบรรเทาก่อนเราเป็นแบบนี้ไหมเวลาความโลภมันเกิดขึ้นความโกรธมันเกิดขึ้นความมัวเมาลุ่มหลงมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเราจะรีบให้ทานเลยได้ไหมวิธีการต้องทํายังไงก่อนต้องบรรเทากําจัดความโลภออกจากใจก่อนความโกรธออกจากใจก่อนความมืดบอดความมัวเมาลุ่มหลงออกจากจิตก่อนแล้วจึงค่อยให้ทานนะต่อไปทํากันแบบนี้ได้ไหม เออต้องต้องเป็นไปลักษณะอย่างนี้ให้บรรเทาความโลภโกรธหลงก่อนยิงให้ทานอย่าไปให้ทานในขณะที่ยังมีโลภโกรธหลงอยู่อามีใครจะถามอะไรไหมมีไหมทีนี้ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าให้เพื่ออนุเคราะห์เวลาการจะให้ทานสังเกต ด, ดูพระพุทธเจ้าจะเป็นคนที่ท่านจะให้ทานด้วยความชานฉลาดมาก ก็ปรารถนาอยากใ ห, ให้เราเวลาให้ทานก็ให้เป็นในลักษณะอย่างนีน้นี่คือพูดถึงในเรื่องของพระเจ้าในขณะที่พระองค์บำเพ็ญบารมีนะเวลาเหลือนิดหน่อยแต่ต่อไปจเจริญสติกันสักหน่อยดีมอา้าวหายง่วงหรือยังลองยืนกันหน่อยดีั้มคลายหน่อยอ่ะยืนหน่อยพยืน เอาใครจะยืนใครเส้นหน่อยก็ได้ยืนที่เคยแนะนําเกี่ยวเรื่องการเดินจริงๆตอนนั้ น, นเป็นการเดินเพื่อปรับสุขภาพนะเดินเพื่อปรับสุขภาพแล้วให้จิตสงบเท่านั้นเองที่เดินให้สัมพันธ์นะยืนก็ได้เดินก็ได้ ให้เราได้ฝึกในการที่จะเจริญสติพุทธเจ้าบอกว่าสติที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงบางทีคำว่าสมาธิเนี่ยหลายๆ ห, หลายคนไปเข้าใจว่าสมาธิก็คือการไม่คิดอะไรแท้ที่จริงสมาธิเนี่ยมันตั้งมั่น อาการที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วก็ไม่ซัดสายมันอยู่เรื่องเดียวแล้วก็สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่เรากำหนดหรือที่เราปรารถนาอย่างยกตัวอย่างในขณะที่เรายืนเนีนะ่ยในขณะที่เรายืนลองยืนแล้วกำหนดแผ่เมตตาให้กับตนเองนะ แผ่เมตตากับตนเองแล้วก็มาพิจารณาดูว่าเออเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราพฤติกรรมของเราไม่ได้ล่วงละเมิดศิกขาบทเลยทางกายเราก็ไม่ล่วงละเมิดทางพฤติกรรมทางวาจาก็ไม่ได้ล่วงละเมิดแม้ใจเราก็สำรวมระวัง พระเจ้าพูดถึงในเรื่องความสะอาดกายโสเจยะกายก็สะอาดวจีโสเจยะทางวาจาก็สะอาดมโนโสเจยะทางใจก็สะอาดนั้นการที่เรากายก็สะอาดวาจาเราก็สะอาดใจเราก็สะอาดอสะอาดทางกายวาจาและใจอันนี้เป็นเรื่องของความที่เราเนี่ยเดินสุดจริตสามได้ดี ฉะนั้นการที่เราเดินสุดจริตสามได้ดีเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรแก่ไขใครเลยเอ อ, อเราทําได้แล้วเราไม่ผูกเวรใครเราไม่ฆ่าเราไม่รักเราไม่ประพฤติผิดในการมเป็นต้นอันนี้ไงเขาเรียกว่ากายสะอาดนี่ไงเขาเรียกว่าจาสะอาดนี่ไงเขาเรียกใจสะอาด ลักษณะอย่างนี้เราก็มีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแก่ตัวเราเองแล้วก็ดูแลตัวเราเองได้เป็นอย่างดีไม่ให้อดาภาพคือชีวิตของเรานั้นไปล่วงละเมิดชีวิตของบุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินละเมิดบุตรภรรยาไปหักลาราประโยชน์เขาด้วยการกล่าวเท็จเป็นต้นแล้วไม่ได้เอาของหมื่นเมามาใส่ในกระแสชีวิตใจเราก็ไม่ไปกาหนด ยินดีอยากได้สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนจิตเราก็ไม่พยาบาทอาฆาตแล้วก็ไม่ได้เห็นผิดอยากทำนองของทำทั้งหลายเออพอวิจารณาอย่างนี้ให้เกิดความปราบรื้มนะให้เกิดความปราบรื้มลองหลับตาแล้วก็ดูดูพฤติกรรมของตัวเราเองทางกายก็น่าเรื่อมใสพฤติกรรมทางวาจาก็น่าเรื่อมใสพฤติกรรมทางใจก็น่าเลื่มใส ก็เกิดความรักอย่างแนบแน่นในตนเองว่าเราไม่ก่อเวรแก่ใครๆแล้วเราไม่ได้ทำบาปอักุศลกรรมอันชั่วร้ายแล้วหนอเราเป็นผู้มีสุดจริตแล้วเออเราไม่ต้องกลัวอะไรแต่ไหนๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปหวาดระแวงใครเลยนะตอนนี้เราไม่ต้องไปหวาดระแวงใครเราไม่มีเวรภัยกับใคร เราไม่ได้ไปข่มเหงใครไม่ได้ไปช่อลาดบางหลวงใครเนี่ยนั้นชีวิตตรงนี้เป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งท่านใช้คบว่าตายก็ไม่ต้องกลัวนั้นชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่กลัวตายนะเหมือนพระโพธิสัตว์ตอนที่เขากำลังจะปัุสล้ายจะฆ่าท่านจะจับท่านโยนลงในหน้าผาท่านก็ไม่สะทกสะท้านไม่วันไหว คนที่กำลังจะประทุสลายท่านก็บอกว่าทำไมท่านจึงไม่กลัวตายพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเราไม่ได้ทำชั่วกายเราก็ส ะ, สะอาดทางกายเราก็ไม่ได้ทำชั่วทางวาจาเราก็ไม่ได้ทำชั่วทางใจเราก็ไม่ได้ทำชั่วเมื่อเรามีกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็จิตใจก็สะอาดเราจะกลัวทำไม ตายเราก็ได้ดีกว่าเดิมไม่เห็นต้องไปกังวลอะไรเลยเออเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ให้มีความรักมีความเมตตาแก่ตัวเองให้เกิดความรักความเมตตาขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขมันไม่ใช่แค่ขอแล้วเราทำจริงๆขอให้ข้าพเจ้า่าได้มีเวรต่อใครๆเลยเออเราไม่เคยไปทำเวรกับใครเลยนะเนี่ยมาอยู่เนี้ยเราก็ กัดเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้ไปคิดพยาบาทกับใครเลยขอให้เราจึางพปนลองดูที่เรามีความสุขกายไหมเรามีความสุขใจไหมเออเราจะรักษาความดีของเราสดจริตของเราเนี่ยให้เจริญถาวรตลอดไปเนี่ยพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เห็นเห็นความดีในตน ดูสิดูว่ามีไหมความดีในตนถ้ามีแล้วยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้นให้ได้ให้เกิดความเ อ, อิบอิ่มให้ได้ให้เกิดความล่าเลิงให้ได้อันนี้คือพิจารณาพฤติกรรมตนเองทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแล้วให้เกิดความเบิกบานล่าเลิงแล้วก็ผ่องใสนะลองค่อยๆพิจารณาดูนะ ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งก่อนนะแล้วให้มีความสุขให้มีความเบาให้มีความสบายลองดูทีถ้ามันมีเรื่องขัดเคืองก็สมาทานว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเข้ามาเกือกล้วนในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ ให้สมาทานอย่างนั้นนะถ้าสมาทานอย่างนี้แล้วจิตจะผ่องใสเอาก็มอายืนได้ระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนะใครเมื่อยค่อยๆนั่งลงนั่งอยู่ในท่ากําหนดแผ่เมตตาระยะหนึ่งแล้วก็ดูลมให้ใจเลยนะ แผ่เมตตาให้ตนเองก่อนแล้วก็แผ่เมตตาให้กับบุคคลอื่นแล้วก็กาหนดอาณาปานาสติต่อกาหนดดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่ถ้าใครยังไม่หายเมื่อยจะยืนต่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเมื่อยก็ลงนั่งแล้วเรากาหนดจเจริญ พรหมวิหารก่อนแล้วก็ตามด้วยอาณาปณะนะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาปฏิบัติสักระยะนึง